ใครอยากได้หนังสือซีดีเอาไปนะหนังสือเป็นหนังสือดีหนังสือเป็นเหมือนแสงสว่างเป็นเหมือนแผนที่แผนที่ที่จะพาให้เราไปเจอขุมทรัพย์อทรัพย์แท้อยู่ในหนังสือเนี่ยอ้ทรัพย์ที่ดีกว่าทรัพย์ที่มีอยู่ในโลกนี้ทรัพย์ในโลกนี้เป็นทรัพย์ชั่วคราว เดี๋ยวตายไปก็เอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวแต่ทรัพย์ในใจทรัพย์ภายในเอาไปกับเราได้เป็นของเราถ้ามีทรัพย์ภายในก็ไปเที่ยวสวรรค์ได้มีเงินจ่ายค่าโรงแรมค่าที่พักข้าอาหารถ้าไม่มีทรัพย์ภายในก็ไปเป็นขอทานเนี่ ย, ยที่ญาติโยมกวดหน้าหมดทิดบุญไปเนี่ยก็ พวกที่มารอรับบุญก็คือพวกที่ไม่มีทรัพย์ติดตัวไปไม่มีบุญติดตัวไปก็เลยต้องมาขอทานจะไปเที่ยวก็ไม่มีเงินไปจ่ายค่าอะไรต่างๆอาหารยังไม่มีกินเลยเนี่ยต้องมาขอบุญบุญคืออาหารของใจของของคนที่ตายแล้วคนที่ตายแล้วเอาเงินทองที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ใช้ไม่ได้ เวลาเราไปต่างประเทศเราต้องเปลี่ยนเงินใช่ไหมเอาเงินบาทไปใช้ไม่ได้หรอกต้องเปลี่ยนเป็นเงินของประเทศที่เราจะไปไปไปญี่ปุ่นก็ต้องเปลี่ยนเป็นเงินเยนเอาเงินบาทไปซื้อเกลียวเขาไม่เขาไม่เขาไม่ขายหรอกเหมือนฝรั่งมาเอ า, เอาเงินดอนมาซื้อเกลียวซื้อซื้อลาบกับแม่ค้า บ, บางทีเขาก็ไม่เอาเขาใช้ไม่เป็น นะเราเร า, เรายังต้องไปต่อนะเราไม่ได้อยู่แค่เฉพาะโลกนี้โลกนี้เป็นโลกชั่วคราวเป็นโลกที่เรามาหาเงินมาหาทรัพย์ภายในกันนะถ้าเป็นเหมือนรถยนต์ก็เป็นเหมือนปั๊มน้ำมันใจเรานี่เป็นเหมือนรถยนต์เราต้องคอยเติมน้ำมัน ถึงจะวิง่งรถถึงจะวิ่งไปไหนมาไหนได้ถ้ารถไม่มีน้ํามันก็ต้องเข็นเนะเข็นรถเข็นรถกับนั่งรถอันไหนสบายกว่ากัน yeah. เวลามาเกิดเป็นมนุษย์นี่เหมือนกับเวลาเราไปจอดแวะตามปั๊มน้ํามันเราไปปั๊มน้ํามันเราไปทําอะไรเราก็ไปเติมน้ํามันกันพอมีน้ํามันเราก็ขับรถวิ่งต่อไปได้จะไปถึงไหนก็ไปได้ ใจเราก็ต้องมีบุญมีน้ํามันพาเราไปที่เราอยากที่เราจะต้องไปที่เราอยากจะไปกันนี้ต้องมีบุญพาไปต้องมีน้ํามันพาไปต้องมีทรัพย์ภายในพาไปสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ชั้นพระอริยเจ้านิพพานเนี่ยสวรรค์ของพระพุทธเจ้าสวรรค์ของพระอหรหันต์เนี่ยต้องเอาบุญ ถึงยาสามารถไปได้ถ้าไม่มีบุญก็ไปไม่ได้ถ้าทำบาปเนี่ยไม่ทำบุญตายไปก็ไม่มีบุญติดตัวไปมีแต่บาปอะไรต้องไปเป็นเดลาฉานบ้างเนี่ยที่พวกที่มาอยู่ในป่านี่เป็นพวกที่อ่านเป็นมนุษย์ไม่ได้ทำบุญทำบาปกัน ่อตายไปก็เลยต้องมาเป็นเดลฉานหรือพวกที่มาขอส่วนบุญก็เหมือนกันพวกที่มาขอส่วนบุญนี่เป็นพวกที่เวลามีชีวิตอยู่นี่หวงเงินหวงทองเสียดด้เงินเสียดายทองไม่ชอบทําบุญชอบเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยชอบเอาเงินไปเที่ยวไปเที่ยวกันไ ป, ก, นไปกินไปดื่มกันไปดูไปฟังกัน ไปซื้อของแพงๆกันซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าอแต่พอถึงเวลาทําบุญนี่คว้า ก, กระเป๋าไม่ออกรู้สึกว่ามันมีกาวติดอยู่ในกระเป๋าเงินหยิบออกมาหยิบไม่ออกกาวที่มันติดอยู่ในกระเป๋าคืออะไรนะคือความตนันนีความตนันนีความโลภโลภอยากได้เงินะ อยากได้เงินก็จะเสี ย, สยดายเงินจะหวงเงินจ ะ, จะอยากได้อย่างเดียวไม่อยากเสียพอถึงเวลาจะทำบุญนี่ถึงคว้ากระเป๋าไม่ออกเหมือนกับว่าแบง์มันมีกาวติดไว้ในกระเป๋าดึงออกมาไม่ได้แต่ถ้าไปช้อปปิ้งที่ไหนนี่โอ้โมันมันไหลามาเทมาอย่างรวดเร็ว เห็นอะไรสวยเยส้อยสวยแห ว, แวนสวยเเพชรสวย เ, เสื้อผ้าสวยกระเป๋าสวยรองเท้าวสวยมือถือรุ่นล่าสุดออกมาเมื่อไหร่นหมนเงินนูนไปอย่างได้รวดเร็วเลยแต่พอจะมาเอาเงินใส่ซองทอดพระป่าทอดกระถินสักสองนึ่เดึงแล้วดึงอีก ยลักษณะของพวกที่ไม่มีทรัพย์ติดตัวไป <Yeah. S 1> วเพอาะหวงหวงทรัพย์ภายนอกหวงเงินหวงทองเอาอยากเอาเงินทองไปซื้อข้าวขอ ง, งต่างๆซื้อแล้วเป็นยังไงตายไปเอาไปได้ไหมขอ ง, งต่างๆที่ซื้อมากระเป๋าแหวนเพชรสร้อยเพชรอะไรต่างๆเนี่ยเอาไปไม่ได้ ไ, ไปก็เลยไปแบบขอทาน ที่เราต้องกวดน้ํากันนี้ก็เพราะเราเป็นห่วงพวกญาติพี่น้องของเราที่เรารักเราเคารพห่วงว่าเขาอาจจะไปเป็นขอทานเราก็เลยเวลาทําบุญเราก็เลยแบ่งบุญไปสมอว่าเราทำร้อยบาทนี่บุญที่ส่งไปหรือแบ่งไปได้เขาบอกนิดเดียวบาทเดียวนี่เหมือนเงินที่เราให้ขอทานเราจะให้ทั้งกระเป๋าเลยเปล่าเวลาเจอขอทานเนี่ย เราก็หยิบให้เขาแค่บาทสองบาทนี่ก็ลักษณะของบุญที่เราอุทิศไปให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเพราะเรากังวลห่วงใยก็เขาอาจจะไม่มีบุญติดตัวไปไม่มีทรัพย์ภายในติดตัวไปแต่ถ้าเราเห็นเขาทำบุญอย่างพวกญาติโยมเนี่ยตายไปไม่ต้องกวดน้ำหรอกมีทรัพย์ภายในไปแล้ว อันนี้ก็มาทำแล้วเนี่ยก็มีทรัพย์ไปส่วนหนึ่งนะแต่มีมากยิ่งมีมากยิ่งสบายเหมือนไปเที่ยวต่างประเทศมีเงินมากมันยิ่งมันยิ่งสบายพักโรงแรมก็พักโรงแรมแพงๆได้พักห้าดาวเลยไม่ต้องไปเลือกโรงแรมประหยัดประหยัดไม่ต้องไปแบกเป้แล้วก็ไปหาโรงแรมประหยัดประหยัดอยู่แต่พักพวกฝรังมาพักอยู่แถวถนนข้าวสารน พักอยู่ตามเกสต์เฮาส์พวกนี้ทำบุญน้อยแต่ก็ยังได้ทำแต่พวกที่ไปพักตามโรงแรมห้าดาวนี่เขาเป็นพวกที่ทำบุญมากทำเป็นประจำทำทุกวันญาติโยมที่ใส่บาตรพระทุกวันเนี่ยไปบิณฑบาตเนี่ยเขาใส่ทุกวันเนี่ยเราไปบิณฑบาตมาที่บ้านอำเภอเนี่ยมีญาติโยมใส่เป็นประจำ ให้ลูกตั้งแต่เรียนป .1 อนุบาลใส่จนกระทั่งเรียนจบมาหาอะไรทำงานทำการเขาก็ยังใส่อยู่<ม>พอมันทำแล้วมันติดเป็นนิสัยทำแล้วมันมีความสุขทำแล้วมันมีความอิ่มใจ ม, มันก็เลยไม่ต้องเอาเงินไปซื้อของต่างๆเพราะมันไม่มีความอยากจะซื้ออะไรมันไม่มีความอยากจะดูอยากจะฟังอะไร ไม่อยากจะไปเที่ยวก็มีเที่ยวบ้างซื้อบ้างแต่ไม่ได้เป็นแบบแบบเอาเป็นเอาตายกันซื้อพอหอมปากหอมคอเที่ยวพอหอมปากหอมคอแต่ไม่ได้เที่ยวกันแบบเอาเป็นเอาตายซื้อกันแบบเอาเป็นเอาตายกันมีเท่าไหร่ซื้อหมดมีเท่าไหร่เที่ยวหมดเขาจะแบ่งเงินไว้ทำบุญ ถ้าถ้าทำบุญทุกวันได้รับรองว่าตายไปไปไปสวรรค์ชั้นต่างๆได้ญาติโยมก็ฝึกได้วิธีทำบุญทุกวันถ้าไม่มีพระเดินผ่านบ้านเอาเงินใส่กระปุกไว้ก่อนก็ได้เงินใส่บาทวันวันละเท่าไหร่ก็ใส่ไปห้าสิบบาทใส่ไปพอวันไหนว่างจะมาวัดก็มีเงินมาทำบุญนะ ถ้าไม่ทำอย่างนี้พอเวลาจะมาวัดสักทีบางทีเงินไม่ค่อยมีทำทำเหมือนกันแต่ทำได้น้อยเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ทำแบบกวนบุญเราก็มีเงินมาซื้อข้าวซื้อของมาทำบุญได้เยอะแยะแต่ไม่เก็บทาบุญไว้ทุกวันวันละห้าสิบห้าสิบพอถึงเวลาจะมาวัดซื้อพุ่มทำบุญได้ไม่มาก นี่คือสิ่งที่เราควรจะคิดกันตอนนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องโกหกเป็นความจริงเราไม่รู้ตัวเราเราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายแล้วเวลาร่างกายตายไปเราหายไปไหนเราหายไปกับร่างกายหรือเปล่าอันนี้เป็นปิศนาที่เรา ไม่รู้ว่าเราไปไหนเราเป็นอะไรหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วตอนนี้เราไม่รู้เราก็ต้องอาศัยคนรู้คนรู้ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านรู้ท่านได้พิสูจน์แล้วว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งนี้ไม่ได้เป็นร่างกายเวลาผู้รู้ผู้ ให้กายนี้เจอไหมเวลาวันนี้มีความสุขหรือเกิดเนี่ยลองถามว่าสุขตรงไหนสุขที่หัวือสุขที่ท้องือสุขที่เท้าสุขใจมันอยู่ตรงไหนหรือว่าเวลาที่ร่างกายเป็นแผลมันเจ็บเนี่ยพอมันหายก็รู้ว่าอ๋อความทุกข์ทางร่างกา ย, หา ย, ห, ายหายไปแล้ว แต่ความสุขทางใจนี่เราหาไม่เจอในร่างกายเวลาเราดีใจสุขใจนี่เราค้ำดูที่ว่าอยู่ตรงไหนเจอไหเวลาสุขใจเนี่ยอย่างวันนี้ตอนนี้ทาบุญแล้วมีความสุขใจอิ่มใจลองหาดูที่ว่ามันอยู่ตรงส่วนไหนของร่างกายมันไม่มีหรอกเพราะมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความสุขใจมันอยู่ที่ใจ ล้วเรามีความรู้สึกสุขก็ปาเววาเราสุขใจนั่นแหละตัวนั่นหละคือเราอยู่ในส่วนไหนของร่างกายเลยมันอยู่กันคนละส่วนนี่คือตัวเราเราที่ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเวลาร่างกายตายไปเรายังอยู่เราจรึงต้องอ เรายังต้องไปต่อเหมือนร่างกายพอตายไปแล้วแต่เรายังมีความอยากต่างๆอยู่ยังอยากเที่ยวยังอยากดูยังอยากฟังอยู่เราก็เลยท่องเที่ยวแบบไม่ต้องใช้ร่างกายเนี่ยเป็นเทปดาเนี่ยไปสวรรค์นี่เรียกว่าท่องเที่ยวแบบไม่ต้องใช้ร่างกายอันนี้เป็นเรื่องของใจ ที่เป็นผู้ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเป็นผู้ที่มีความสุขหรือมีความทุกข์จากการทำบุญหรือทำบาปถ้าทำบุญแล้วใจก็มีความสุขเหมือนกับได้ไปเที่ยวท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทำบาปก็เหมือนกับไปติดคุกติดตาราง มีแต่ความทุกข์มีแต่มีแต่โทษมีแต่ภัยรอบด้านเป็นเดรัจฉานกับเป็นมนุษย์อันนี้อะไรจะมีภัยมากกว่ากันเดรัจฉานนี่เขาไม่มีที่หลบภัยเหมือนพวกเรามนุษย์เราเวลานอนหลับมีบ้านมีอะไรปลอดภัยสตัตว์มันนอนมันก็หลบตามซอกตามมุม สัตว์ตัวอื่นถ้ามันมาเห็นข้ามันหิวมันก็เอาไปกินได้นี่คือบาปถ้าทำบาปแล้วก็ต้องไปเกิดไปใช้โทษไปติดคุกติดตารางไปอยู่กับโทษอยู่กับภัยต่างๆอันนี้เป็นความจริงที่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวของเราเอง ในเบื้องต้นเราต้องเอาเชื่อก่อนเชื่อแล้วนำเอาไปทำตามทีพ่พระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนให้เราทำท่านสอนให้เราหาตัวเราได้พบตัวเราได้ค้นหาตัวเราได้โดยการตอนต้นก็ให้ทําบุญทาทานก่อนแล้วก็ไม่ให้ทําบาป แล้วก็ขั้นที่สามก็ให้มาเปิดตาในกันเรามีตาในแต่ตอนนี้ตาในมันปิดอยู่เหมือนมีผ้าเขาปิดผ้ามีมีผ้ามาปิดตาในเราไว้ถ้ามีผ้ามาติดตานอกนี้เราจะเห็นอะไรไหมปล่อยมันเถิดมันไม่เป็นไรหรอกมันมันตัวนิดเดียวเวรอะไรกับมันมันไม่มายุ่มมันไม่มาทำอะไรเราหรอกมันก็เหมือนเราแหละมันก็ ก็มันไปเลยมันเป็นเพื่อนกันมันก็มาเยี่ยมกันแผ่เมตตาไงรู้จักแผ่เมตตาไหมสัพเพสัตตาไม่ใช่พอแผ่เมตตาก็จับมันโยนทิ้งไปเลยอันนี้ไม่ได้แผ่เมตตาแผ่เมตตาก็คือต้อนรับเขาถามสารทุกข์สุขดิบเขามีอะไรเหลือมันมันอาจจะหาของกินอยู่ก็ได้เหมือนเราเวลาเรา หาของกินแล้วมีคนเอาของกินมาให้เรากินนีด่ดีไหม น, นั้นแะนเรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่เราหาของกินก็มาจับเราไปทิ้งในป่านี่ไม่ได้แผ่เมตตาหรือเปแผ่เมตตาต้องทาให้เขามีความสุขอย่าไปทำให้เขามีความทุกข์พวกเราแผ่เก่งชอบแผ่ตอนสวดมน์เน่พอสวดมน์เสร็จก็แผ่สัพเพทัตตาเอาเวลาโหนตุ แผ่กันใหญ่เลยแต่พอถึงเวลาเจอคนรับนี่ไม่ยอมแผ่ให้เขาชอบแผ่ตอนนี้ไม่มีคนรับเพราะมันไม่เสียมันไม่เสียอะไรแต่เวลามีคนรับนี่แผ่ไม่ออกเนี่ยเวลามาทำบุญ น, นี่ก็แผ่เมตตาแล้โยมมาเข้าของมาให้พระนี่ก็โยมก็มีความเมตตาต่อพระแลมีความปรารถนาดีต่อพระมีความอยากให้พระมีความสุข อยากให้พระพ้นจากความทุกข์กายทุกข์ใจก็เลยเอาเข้าของต่างๆมาถวายพระอย่างนีเน้เรียกว่าแผ่เมตตาเวลาที่เราสวดมนต์กันนี้เราไม่ได้แผ่เราสวดสวดทําไมสวดเพื่อจะไดะ้สอนใจให้รู้ว่าวิธีแผ่เมตตาแผ่อย่างไรเวลาหนุนตุแปลว่าอะไรจงอย่ามีเวรกันเถิดน มีเวรก็คืออย่ากโกรธเกลียดกันใครก็ทําอะไรพูดอะไรไม่ดีก็ให้อภัยไปอย่าถือสาเหมือนถือว่าเป็นเหมือนลูกๆเนี่ยเวลาเด็กมันทําอะไรผิดเราไปโกรธเกลียดมันหป่าเราไม่ได้โกรธเกลียดมันนะเพราะเรารู้ว่ามั น, มนไร้เดียงสามันไม่รู้ผิดถูกดีชั่วเราก็ให้เมตตาเราก็ให้อภัยอันใดคนที่เขาทําอะไรไม่ถูกไม่ดี เมืนเด็กไร้เดียงสาเนะี่ยเขาไม่รู้จักผิดถูกดีชั่วเขาก็พูดเขาก็ทําไปตามความไร้เดียงสาของเขาคนอื่นจะเดือดร้อนจะเสียหายเขาก็ไม่เขาไม่รู้ก็ไม่สนใจเขาต้องการทําเพื่อให้เขามีความสุขความสบายใจอย่างเดียวเท่านั้นคนอื่นจะเดือดร้อนคนอื่นจะเสียหายเขาไม่สนใจถ้าเราเป็นคนนี้มาอะไรเนี่ยไปแล้ว มันไม่การหรอกมันไม่มีพิษมีภัยอะไรนะถ้าถ้าเราอยากจะแผ่เมตตาเราต้องทำอะไรให้เขาทำให้เขามีความสุขใช่ถ้าเขาเป็นอันตรายเป็นภยัยเราก็ต้องป้องกันตัวเราอันนี้ไม่ไม่ไม่ว่ากันแต่อย่าไปทำร้ายเขาอย่าไปทำร้ายเขาถ้า ง, งูมาก็จับได้ก็จับ จัไม่ได้ก็เขี่ยมันไปเออันนี้ก็ได้อยู่แต่ไม่ต้องไปตีมันไม่ต้องไปฆ่ามันเอมันนักตัวกลัวตายเหมือนเรามันมีใจเหมือนเรามันมีกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงความอยากเหมือนเราแล้วมันไม่อยากเจ็บตัวเหมือนเราะแล้นอย่าไปทําให้คนอื่นเขาเจ็บตัวเพราะเดี๋ยวมันจะย้อนกลับมาหาเราเอ ท่านบอกว่าจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจะดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของบุญของบาปนั้นยนิ้นทำบุญดีกว่าทำบุญแล้วจะได้แต่ความสุขกลับมาทำบาปแล้วจะได้แต่ความทุกข์กลับมาวิธีไม่ทำบาปก็ต้องมีความเมตตาต้องให้อภยัยอเวลาโหนตุไม่จองเวรจองกรรมกัน ไม่อาฆาตพยาบาทไม่ร่างแค้นกันไม่ตาต่อตาฟันต่อฟันให้ยอมยอมแพ้ยอมแล้วก็เราจะได้หยุดทำร้ายเขาเมื่อเราหยุดแล้วเราก็จะเย็นจะสบายถ้าเราไม่ยอมเราอยากจะแก้แค้นนี้ใจเราก็จะร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับแทนที่จะมีความสุขกับไม่มีความสุข จากการจองเวรกันถ้าไม่มีไม่จองเวรกันให้อภัยกันนี้ใจจะเย็นใจสบายลืมไปเลยว่าเขาทำอะไรกับเรามาให้อภัยเขาไปละไม่ถือสาใจเย็นสบายแล้วทำให้เราไม่ต้องไปทำบาปไม่ต้องไปทำอะไรที่เราจะมาเสียใจภายหลังเวลาเราโกรธแล้วอยากจะทำอะไรเนี่ยมันอยากจะทำจริงๆ พอทาไปแล้วมันนั่งเสียใจภายหลังใช่ไหมรู้งนี้ไม่ทำดีกว่าแต่เวลามันโกรดนี่มันยับยั้งใจไม่ได้เพราะไม่มีเมตตาเพราะเราไม่ฝึกเมตตากันถ้าเราฝึกเมตตาบ่อยๆเตือนตัวเองบ่อยๆว่าใครเขาทำร้ายเราใครเขาทาพูดอะไรไม่ดีกับเราอย่าไปโกรธเขามันผ่านไปแล้วเขาด่าเสร็จมันก็ไปแล้ว เราก็ยังอยู่เหมือนเดิมก่อนดา่าก่อนเขาด่าเราแล้วหลังจากที่เขาด่าเราแล้วก็ยังเป็นคนเดิมอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างแต่ทำไมเราต้องมาทุกข์ร้อนกับคำด่าของเขาทำไมแล้วเราจะต้องไปพูดไม่ดีตอบโต้เขาทำไมเราก็เลยกลายเป็นคนไม่ดีไปกับเขาด้วยใช่เขาด่าเราถ้าเราไม่ด่ากลับเรายังดีอยู่แต่เขาด่าเราเราด่าเขากลับแล้วก็เท่ากับเขาแหละ เขาว่าอีหาย อ, อีดอกแล้วก็ว่าเขาอีหายอีดอกแล้วก็พอๆกับเขาแหละเข้าใจไหมใช้ปัญญาเดีใช้เหตุผลเดีถ้าเราอยากจะดีเราก็อย่าไปพูดไม่ดีอย่าไปด่าเขาเขาด่าเราก็ปล่อยก็ด่าไปเขาดา่ดาแล้วเพราะมันก็กรถางนั้นมันก็ไปแค่เสียงเข้าหูซ้ายมันก็ออกหูขวาไปละมันก็ผ่านไปละ แต่ใจเรามันมีกิเลสมันไม่ชอบให้คนดา่าชอบให้คนชมอย่างเดียวพอด่า ก, ก็เลยเอร้อนขึ้นมาเดือดขึ้นมาอเราต้องด่าเข้ากลับเราก็เลยพอกับเขาพอๆกันแต่ถ้าเราไม่ด่าเขากลับเราดีกว่าเขาเราเฉยๆได้ท่านั้นเฉยๆทาให้เราดี ด่ากับทาให้เราไม่ดีนี่คือการแผ่เมตตาที่ต้องสวดเพื่อให้เราสวดให้เข้าใจความหมายให้รู้ว่าเราจะต้องทาอย่างไรถึงจะไม่มีเวรต่อกันละกันเอาเวลาหนตุจงอย่ามีเวรต่อกันเถิดก็เกิดเขาเขาทำอะไรเราก็เฉยอยาไปตอบโต้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้เขาด่าก็รู้ ก็รู้ว่าเขาด่าเอเขาตีก็รู้ว่าเขาตีวิธีจะทําให้ใจเฉยได้ทํำยังไงพระพุทธเจ้าให้คิดอย่างนี้ถ้าเขาไม่ชอบเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ด่าเราแค่นี้เราก็สบายใจแล้วะเราก็เฉยได้แล้วถ้าเขาด่าเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเราพอคิดอย่างนี้เราก็เฉยได้ถ้าเขาตีเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราะ เราก็ยังเฉยได้แล้วถ้าเขาฆ่าเราก็ดีแล้วเราก็เฉยได้ไม่หนูเราเราไม่ต้องทาบาปเขาทำบาปคนเดียวใช่เดี๋ยวเขาก็ไปติดติดคุกติดตารางคนเดียวเราไปสวรรค์เรากลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ดีกว่าถ้าเขาเขาฆ่าเราเราเขาตีเราเราไปฆ่าเขาเราก็เลยไปติดคุกแทน ตายไปก็ไปเป็นเดรลฉานแทนหรือไปตกนรกแทนต่อแทนที่จะได้กลับมาเป็นมนุษย์หรือไปสวรรค์เลยก็ไปไม่ได้นี่คือวิธีเฉยวิธีที่เราเวลาเจอใครเนี่ยใครก็ทําอะไรให้คิดไว้ถ้าเขาไม่ชอบคิดหน้าเราก็าดีแล้วเขาไม่ชอบก็เรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้เราบังคับเขาขให้ชอบเราไม่ได้หรอ ถ้าเขาไม่ชอบก็ดีแล้วเขาไม่ด่าเราให้คิดอย่างนี้พอเขาด่าเราก็คิดว่าดีแล้วเขาไม่ตีเราแต่เขาตีแล้วก็กดีแล้วยังไม่ฆ่าเราถ้าฆ่าเราก็ดีแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องทําอะไรเราก็ได้เฉยได้น <c oughs> นี่คือวิธีแผ่เมตตาให้แผ่แบบนี้นี่แหละคือวิธีแผ่เมตตาไม่ใช่สวดกันสวดกันพอ พอเจอหน้ากันเขาด่าเราก็ด่ากับเลือเอาไม้มาตีเขาเลยนี่คือเรื่องของใจที่ไม่ตายไปกับร่างกายที่ยังจะต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เหมือนกับกฎหมายที่เขามีไว้น่จะเชื่อหรือไม่เชื่ อ, อ, ว, นะ อ, อ, อว่าเขาห้ามขับรถโดยไม่ให้ดื่มสุร า, อาลองไปดื่มเมาแล้วตำรวจเรียกจับดูเขาไปตรวจแอลกอฮอล์ตรวจเลือดนี่ ถ้ามีแอลกอฮอล์สูงเขาก็ปรับเราละจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามจะรู้ไม่รู้ก็ตามว่ามีกฎหมายห้ามหรือไม่ห้ามก็ตามพอเราทำผิดกฎหมายนี่ไปอ้างไม่ได้ว่าผมไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ก็ต้องเขาก็จับเราไปลงโทษละ่ะจับเราไปปรับจับเราไปติดคุกติดตารางชั้นใดเรื่องบาปเรื่องอะไรนี่ก็เหมือนกันจะรู้ไม่รู้ทำแล้วมันก็ต้องไปรับผลบาป ท่านบอกว่าถ้าทําบาปด้วยความไม่รู้ก็ไปเป็นเดรัจฉานพวกที่เขาทําอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขาก็ไม่รู้ว่าบาปใช่ไหมเขาคิดว่าไม่ผิดกฎหมายทาแล้วก็เลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนเราต้องมีอาชีพต้องมีอะไรกินก็ต้องฆ่าสัตว์กันไปจับปลามากินไปยิงนกอะไรนี้มากินเป็นเรื่องของการประทังชีพมันก็เป็นพวกเดรัจฉานใช่ไหม เดชะฉานมันอยู่กันยังไงมันก็อยู่ด้วยการฆ่าผู้อื่นกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยไปพวกที่ทำบาปโดยไม่รู้ว่าบาปเนี่ยก็ไปตายไปก็ไปเป็นเดาชะฉานพวกที่ทำบาปพอโลภไม่ต้องไม่ต้องทำบาปก็อยู่ได้มีเงินพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ทำงานวันละสามร้อยเดือนล ะ, ะวันละสามร้อยน่ยาแรงขั้นต่า แต่โลภยังอยากอยากได้เยอะๆอยากได้มากๆก็เลยไปทำบาปไปขโมยเงินของคนอื่นไปช่อโกงไปโกหกหลอกลวง<ๆ>เพื่อจะได้เงินมามากๆหรือไปฆ่าก็ได้ไปรับจ้างฆ่าคนอื่น<ๆ><ๆ>เพื่อที่จะได้มีเงินเยอะๆพวกนี้ตายไปก็ไปเป็นเปรตเนี่ยแลวพวกที่ทำบาปด้วยความกลัว ก็ไปเป็นผีเรือเรียกเขาเรียกุ่าอ ส, สุลลกายแล้วพวกที่ทำบาปด้วยอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดเคียดแค้นเนี่ยพวกนี้ก็ไปนรกจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามลองทำดูเนี่ยป่านี่มันถึงเต็มไปด้วยเดรัจฉานเพราะพวกไม่รู้กันไม่เชื่อกั น, ไ ม, กนไม่เชื่อว่าทำบาปแล้วจะต้องมาเป็นเดรัจฉานกัน พวกที่ไม่ทำบาปห้าข้อก็กลับตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยส่วนพวกที่นอกจากไม่ทำบาปแล้วยังใจบุญอีกทำบุญอีกพวกนี้ก็ไปเป็นเทวดาขั้นต่างๆชั้นต่างๆชั้นดาวดึงชั้นอะไรต่างๆอยู่ที่ชั้นต่างๆนี่ก็คืออยู่ที่ความแตกต่างของชั้นต่างๆก็คือความสุขระดับต่างๆ ความสุกระดับหนึ่งดาวสองดาวสามดาวสี่ดาวห้าดาวมันมีต่างระดับกันเหมือนกับบ้านที่เราซื้อเนี่ยมีหลายหลายระดับใช่ไหมบ้านสองล้านก็มีห้าล้านก็มีสิบล้านก็มียี่สิบล้านก็มีทำไมต้องเลือกซื้อต่างละต่างราคากันนะมันก็เป็นบ้านเหมือนกันไม่ใช่เลยแต่มันสุกไม่เหมือนกันใช่ไหมสุกมากสุกน้อยไม่เหมือนกัน สวรรค์ก็เหมือนกันทำบุญน้อยก็สุกน้อยทำบุญมากก็สุขมากเหมือนซื้อบ้านะซื้อบ้านถ้าจ่ายเงินมากก็ได้บ้านราคาที่แพงขึ้นถ้าจ่ายเงินน้อยก็ได้ราคาที่ต่ำนี่คือสวรรค์สวรรค์เกิดจากการไม่ทำบาปแล้วก็ทำบุญแล้วถ้าอยากจะไปสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพ อันนี้ก็ต้องไปฝึกนั่งสมาธิกันจะได้ความสุขที่สูงกว่าความสุขที่ได้จากสวรรค์ชั้นเทพอันนี้เป็นความได้จะเดี๋ยวจิตจะนิ่งจะสงบแล้วจะได้ความสุขที่มากกว่าการทําบุญญาติโยมมาทาบุญนี่ถ้าถ้าเปรียบเป็นเงินก็ได้เป็นแบงแบงร้อยแต่ถ้านั่งสมาธินี้ก็ได้แบงห้าร้อย ได้ความสุขมากกว่ากันแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินด้วยนั่งสมาธินี่ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อข้าวซื้อของมาทำบุญนั่งเฉยๆท่านเองหยุดความคิดให้ได้พุโทโธพุโทโธไปแต่จะนั่งได้มันต้องหัดนั่งทั้งวันไม่ใช่นั่งแค่ครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงไปทั้งชาติก็ไม่มีวันที่จะสงบได้ปกติจะสงบนะี่เขาต้องนั่งทั้งวันฝึก ฝึกนั่งกันฝึกเดินกันสลับกันนั่งแล้วเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินมาควบคุมความคิดกันถ้าทําทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเนี่ยจะได้จะได้ความสุขระดับพรมถ้าถ้าอยากจะได้ความสุขแบบที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกก็ต้องไปศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้า เอาสัมมาทิฏฐิเอาปัญญาของพระพุทธเจ้ามาใช้ทำลายตัวที่คอยดึงให้เรากลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆถึงแม้เราจะไปไปสวรรค์ชั้นเทพไปสวรรค์ชั้นผมแล้วเดี๋ยวพอบุญที่ส่งเราไปหมดไอความอยากที่จะเที่ยวยังอยากดูอยากฟังอยากอะไรยังมีอยู่มันก็จะกลับมาหามามีร่างกายใหม่เพื่อจะได้ดูได้ฟังได้กินได้ดืม่มได้เที่ยวใหม่ ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องตัดความอยากเหล่านี้ตัดความอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นอะไรตา่างๆตรงนี้ก็ต้องต้องตั้งสมาธิเวลาอยากกินกาแฟก็ไปนั่งสมาธิแทนเวลาอยากจะดูหนังฟังเพลงก็ไปนั่งสมาธิแทนเวลาจะไปอยากไปนอนกับแฟนก็ไปนั่งสมาธิแทน ตัดความอยากต่างๆได้ด้วยการไปนั่งสมาธิต่อไปความอยากมันก็หมดไปมันจะไม่มีความอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสดมกลิ่นไม่อยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เพราะนั่งสมาธิมันได้ความสุขมากกว่าถ้าทำอย่างนี้ได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องกลับมาทำบุญมาละบาปไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไป อันนี้เป็นขั้นสูงสุดขั้นของพระพุทธเจ้าขั้นของพระอริยสงสาวกเนี่ยพระสุปฏิปันโนทั้งหลายพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพาาระอรหันเนี่ยท่านจะกลับมาเกิดมี ม, มีมีจำนวนภพชาติที่แน่นอนจนพระโสดาบันจะกลับมาเกิดไม่เกินเจดชาติ เราไม่ต้องไปเกิดในอบายถึงแม้จะเคยทําบาปมาก็ไม่ต้องไปใช้บาปในอบายถ้าขั้นที่สองก็จะกลับมาเกิดเพียงชาติเดียวเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวทางขั้นที่สามก็ไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไปเกิดเป็นพรหมแทนพอขั้นที่สี่ก็ไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้กัน จำนวนน้ำตาที่เราร้องกันมาเนี่ยถ้ า, ามารวมกันแล้วเนี่ยมันมากกว่าน้ําในมหาสมุทรเสีองครับเกิดมาทุกชาตินี้ต้องร้องไห้กันไหมมีใครไม่ร้องไห้บ้างแเราลองเก็บน้ําตามารวบ ร, ร, ร, รวมกันดูนยท่านบอกว่าน้ําตาที่เราเคยหลั่งมาเนี่ยมันมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรเสีเองนั่นคือปริมาณของความทุกข์ที่เราจะต้องเจอกันถ้าเรายังไม่สามารถตัดความอยาก จะกลับมาเกิดได้ถ้ายัางไม่สามารถตัดความอยากที่จะมีมีตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อจะได้ดูได้ฟังได้ลิ้มรสได้ดมกลิ่นอยู่เราก็ยังจะต้องกลับมามีตาหูจมูกนิ้นกายพอมีมาพอมามีร่างกายก็ต้องมาทุกกับร่างกายเดี๋ยวมันก็ต้องแก่เดี๋ยวมันก็ต้องเจ็บเดี๋ยวผมก็หงอกนะเดี๋ยวหนังก็เหี่ยวเดี๋ยวหนังก็คลอเดี๋ยวก็โรคต่างๆก็มาเยี่ยมเยียน ช้านิยมใส่บาตรบอว่า น, นี้หนูจะไปฟังผลตรวจมะเร็งแม่มันมาเยี่ยมนะเนี่ยถ้ามาเกิดก็ต้องมาเจอของพวกนี้ถ้าไม่กลับมาเกิดก็ไม่ต้องมาเจอไม่ต้องไปตรวจโรวจตรวจโรค ต, ตรวจอะไรเพราะไม่มีร่างกายร่างกายนี่แหละเป็นบ้านของโรคภัยถ้าไม่มีร่างกายโรคภัยมันจะมีได้ยังไงใช่ไหมเรามา สร้างโรคภัยกันเองด้วยการมาสร้างร่างกายพอเรามีร่างกายเดี๋ยวมันก็ต้องมีโรคภัยค่าเจ็บมาถ้าไม่มีโรคไม่มีร่างกายแล้วโรคภัยค่าเจ็บมันจะมีได้อย่างไรถ้าไม่มาเกิดแล้วมันจะมาแก่มาเจ็บมาตายได้อย่างไรให้คิดให้ดีดูด้วว่าการเกิดนี่มันดีหรือไม่ดีเกิดแล้วมันสุขหรือมันทุกข์กันแน่สุขกับทุกข์ที่เราได้มันอันไหนมันมากกว่ากัน เกิดเวลามาเกิดมันมันสุขต้นแต่มันทุกปลายเวลาแกเวลาเนี่ยเวลาแกมันก็จะเจ็บแล้วเดี๋ยวมันก็ตายมันสุกตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวกันตอนที่เป็นเด็กกันเล่นกันเที่ยวกันทำอะไรกันสนุกสนานกันแต่พอมันแก่แล้วมันทำไม่ได้เดี๋ยวก็โรคนั้นเข้ามาโรคนี้เข้ามาผัดกันเดินเข้าคิวเลยเดี๋ยวเบาหวานเข้ามาเดี๋ยวความดันเข้ามา เดี๋ยวโรคหัวใจเข้ามาเดี๋ยวโรคเข่าโรคอะไรเข้ามามีแต่โรคภัยตลอดเวลาเอ็นอย่ามีร่างกายดีกว่าการจะไม่มีร่างกายได้ก็ต้องหยุดความอยากใช้ร่างกายให้ได้อย่าใช้ร่างกายไปถือศีลแปดไปอยู่ไปบวชไปนั่งสมาธิเวลาจะเอาร่างกายไปเที่ยวก็ไปนั่งสมาธิแทนเวลาจะเอาร่างกายไปกินไปดื่ม ไปดูไปฟังก็ไปนั่งสมาธิแทนพอนั่งสมาธิได้มีความสุขได้ก็ไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขด้วยการนั่งเฉยๆอยู่เฉยๆก็ไม่ต้องใช้ร่างกายพอไม่ต้องใช้ร่างกายก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนแล้วพอร่างกายตายไปก็จะไม่กลับมามีร่างกายอันใหม่ นี่คือบุญต่างๆที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามาหากันมาสร้างกั น, น, นการต้นก็ให้มาเอาระดับต้นก่อนระดับอนุบาลก่อนคือทําทานเก็บเงินเก็บทองไว้ใส่บาทเงินใส่บาทนี่ถ้าไม่มีพระผ่านมาทางบ้านก็ใส่กระปุกไว้พอถึงเวลาที่อยากจะทําบุญก็จะได้มีเงินมาทําบุญอย่างถ้าไม่ใส่ไว้เดี๋ยวถึงเวลาจะมาทําบุญ อยากจะทำแต่ไม่มีเงินทำก็เลยไม่มาวัดกันไม่ทำบุญกันเพราะเงินเอาไปใช้หมดแล้วเอาไปใช้อย่างอื่นแทนใช้ของไม่จำเป็นเสื้อผ้ามีกี่ชุดต้องซื้อใหม่ ก, กี่กี่กี่ชุดถึงจะพอซื้อเท่าไหร่ก็ไม่พอมันเห็นชุดใหม่ๆมันก็อยากจะซื้อขึ้นมาเอาเงินที่จะไปซื้อเสื้อผ้านี่มาใส่กระปุกใส่บาทดีกว่า อย่าพอถึงเวลาที่เราจะต้องทาบุญเราจะได้มีเงินทาบุญขั้นต้นทาบุญแล้วก็อย่าไปทาบาปอย่าไปอย่าไปติดคุกติดตารางอย่าทําบาปอย่าทําผิดกฎหมายแล้วก็มาฝึกนั่งสมาธิกันแล้วก็มาตัดความอยากกันด้วยการเห็นว่าการทําตามความอยากนี่มันพาให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆ พอเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องทุกข์กันทําอย่างนี้ได้แล้วเราก็จะไปอยู่กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารอพวกเราอยู่อยู่ที่นิพพานพระนิพพานคือที่อยู่ของใจที่ไม่มีความอยากแล้วตัดความอยากได้หมดแล้วพวกเราไปได้กันทุกคนอยู่ที่ว่าจะตัดหรือไม่ตัดเท่านั้นเองเป็นยากตรงไหนเลยตอนนี้นั่งเฉยๆก็ตัดได้ใช่ไ้ย ตอนนี้ไม่มีความอยากดูอยากฟังอยากทำอะไรนั่งเฉยๆอย่างนี้ขอให้มันนั่งไปได้เรื่อยๆทั้งนั้นให้มันเฉยๆอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเอาล้ว น, น, น, นะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็จะอนุโมทนาให้พรยะถาวาเลวาหาปุราปิริปุเรนติสาว卡ง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 จะตาโรธรรมวทาติอายุวนโนสุขังภาลางังใอยากจะถามอะไรก็ถามได้อตอนนี้ถามได้จนถึงเวลาเลิกนะย่ามาถามตอนนี้ <kilo> เวลาเลิกก็ชอบมาถามเวลาให้ถามไม่ถาม <S <S ้ามากระซิบถามสองต่อสองายหรือไงไปทำบาปมาเหมือนไปสารภาพบาปกับบานห้วงน่พระอาจารย์ครับพอดีอยากกะซับพระอาจารย์ว่าอ่าพอดีกับผมอยากจะบวชนะครับอี่ประมาณแปดเก้าปีเนี่ยครับเอ้ยต้องนานไว้ใกล้ๆก็มาพูดเดี๋ยวก็เรยวเดี๋ยวก็เร็อาจารย์ก็เลยแบบไม่รู้จะไป อ่าเป็นลูกศิษที่ไหนเนี่ยโตอนนั้นอา่อ า, อาจจะตายไปแล้วก็ได้แปดเก้าปีตอนนี้เราเจ็ดสิบแล้วเนี่ยอีกแปดเก้าปีก็เกือบแปดสิบนะทําไมต้องไปรอถึงแปดเก้าปี ม, <c oughs> มันจะถึงเวลานั้นหรือเปล่าโรคมันจะตายก่อนนั่นก็ได้นะ <c oughs> พอดียังสาสานเรื่องทางลูกเป็นลูกศิษย์โอ้ยต้องใช้เวลาขนาดนั้นเชอยวไปที่ผ่านนี่เขาใช้แค่เจ็ดปีเท่านั้นห่า สามาท่านโลกต้องใช้ น, น้องเก้าปีนานกว่าการไปนิพพานอย่ครับพระพุทธเจ้าบอกปฏิบัติจริงๆไปนิพพานนี้เจ็ดปีก็ถึงละก<ไ><ไ>็ตัดไม่ใช่ตอนนี้ยกให้เข้าไปหมวดก็หมวดเรื่องมีอะไรก็ยังมีลูกอยู่ก็ไปฝากไอ้ที่เขาให้คนเขาเลี้ยงมงเลี้ยง <laughs> เลี้ยงเด็กกำพร้าเลย <laughs> อนาคตไม่แน่นอนอย่าไปที่ว่ามันจะเป็นตามที่เราวางแผนต้องตอนนี้ทำได้รีบทำใช่เลยเหมือนตอนนี้เขามีลดราคารีบไปซื้อเลยรอพรุ่งนี้เดี๋ยวว่าไปแน้าของอาจจะหมดก็ได้หรือเขาอาจจะเล่าโปรโมชั่นก็ได้ตอนนี้บวดได้บวดเลยถ้ายังไม่ถึงเวลาไว้อีก ไใกล้ๆสักสองเดือนก่อนจะบวชก็มาพูดกันได้เรื่องบวชไม่ยากหรอกคนอื่นก็บวชได้กลัวไม่เจอผ้าจายเอมีอาจารย์ลงค์อื่นเยอะแยะไปไม่นองโคนหรอกไม่รู้ครับว่าที่ไหนเขาสากรุงเทพอ่สาทุมีหนังสือซีดีแจกเนี่ยประวัติหลวงปู่ม่านนี่ไปอานเซบุ๊อ ก็จริงเสียงจริงแล้วเป็นไงเหมือนเหมือนนะเหมือนกันเะยเหมือนนะเหมือนในเฟซสได้มันเล็กลงนะเล็กลงตัวในมันใหญ่เลยเอไงนี้อ่าหยิบหนังสือซีดีได้นะย่างดีหนังสือดีนะประวัติหงปู่มั่นเนี่ยหายากนะหนังสือนี้ ก็ไม่มีพิมพ์ขาย่ะมีแต่พิมพ์แจก <c oughs> การคิดจะบวช ด, ดีอนุโมทนาด้วยแต่มันคิดแล้วไม่ได้บวชมันก็ไม่ดีมันก็เหมือนก็ไม่ได้ไม่ได้คิดคิดแล้วคิดปุ๊บต้องทำปั๊บเลยทำไม่ดได้ <c oughs> ทำใจไม่ได้การบวชก็คือการทำใจเดี๋ยวคิดว่า อีกแปดปีก็เปีอาจจะไม่เปลี่ยนใจแล้วอาจรวยขึ้นมาจะทําไงเนะี่ยใจนี้ไปแล้วครับคิดมาไว้สองปีแล้วัาแต่ทีนี้พอดีมันมีเหตุการณ์ที่จะต้องผ่าตัดให้เสร็จนะครับใช่จที่เกิดไปรวยขึ้นมาจะทําไงนะี้ส ล, ดลัดนะครับไม่อยากได้กลัวจะเปลี่ยนใจนะถ้าได้ร้อยล้านฐันล้านนี่มันจะ <c oughs> มันเราลอ ง, ลองไม่อยากแล้ว่ะครับคือตอนนี้มันก็ไม่อยากเพราะมันไม่มีร้อยล้านพันล้านพอมันมีมันมีญาติโยมบางคนเวลาไม่มีเงินนี่มามาม า, มาวัดบ่อยพอพอรวยแล้วหายไปเลยกลัวไม่เจออาจารย์กลัวไม่เจอผู้รู้ครับก็เลยว่าจะไปหาอาจารย์ก็อยู่ที่นี่นะไม่ได้ไปไหนอะอยากจะถามอะไรก็ถามมาก็เลยแบบ หมมติว่าถ้าพระอาจารย์ไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยอไม่เจอผู้รู้แบบตัวจริงอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าจะอนาคตท่อย่งายงไหงอ่ยายนหนังสือไงหนังสือของเรายัางอยูเย่เราไม่ได้ตายไปกับหนังสือเนี่ยแฟนบุ๊กที่เขาเจ็บไว้คุณเอาไปอ่านเจ็บไว้ได้อาตะเจ้าบอกว่ า, วาหลังจากที่เราตายไปแล้วพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปัสจากเราเพราะคําสอนที่เราสอนนี่แหละจะเป็นตัวแทนของเรา เป็นครูของพวกเราของพวกเธอต่อไปนัป้นขอยึดคำสอนของครูบาอาจารย์แล้ ว, ลวจะมีครูบาอาจารย์อยู่กับเราตลอดเวลาอาจารย์ตัวร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวอาจารย์ตัวอาจารย์ก็คือตัวคำสอนถ้ามีร่างกายแล้วไม่พูดไม่สอนไม่ประโยชน์อะไรมาเทงก็นั่งยิ้มทะ <c oughs> <c oughs> ใช่เออ กลัวในหนังสือแบบอ่านแล้วมักลัวทุกอย่างเลยผู้รู้ผ่านประสบการณ์แล้วไม่กลัวผูรู้จะตายบ้องหรอกลัวอยู่กไม่ได้เจอที่อนถ้าูรู้จะตายไม่ได้ไม่ได้ทำในตอนนี้เขาจะรับประกันว้าแปดปีเก้าปีข้างหน้ามันจะเป็นเหมือนวันนี้หรือเปล่าได้หอ่าเชิญซองไว้ตรงนั้นเลย วางไว้ตรงนั้นเนี่ยแล้วมีหนังสือซีดีหยิบได้ถ้าต้องการก็หยิบเอาตรงลงจะถามอะไรก็นี่แหละครับก็จริงๆใจก็อยากเลยแหะครับใจลึกๆข้างในอะครับก็คืออยากเลยแต่พอดีวันติดอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งคมันต้องทําให้พ้นไปก่อนนะครับวก็ทําเสริไปฟะยกใครคนอื่นไป พ, พระพุทธบริเวสันดอนอยังยกการหาชาลีให้กับชูโชคไปเลยท่านจะได้ภาวนาได้สบายบางคนคิดว่าท่านใจจืดใจดําตัดทิ้งลูกความจริงมีคนมาอาสาจะเอาไปเลี้ยงให้ดีเขาดีมีคนมาเลี้ยงแทนท่านนั้นก็ดีใจแล้วเอาไปเลยท่านจะได้ไปบวชได้ท่านจะได้ไปปฏิบัติธรรมได้ตอนนี้ยังเป็นเสาหลักราล อ, ลองเขียนป้ายติดไว้เสียพ่ะย่ต้องการบริจากลูก <laughs> ใ, ใหญ่ได้ลูกมานงรับรองถ้าใสไปใน y o u t u ู e นี่คนดูเป็นล้านเลยรายแรกของโลกขอเบริจากลูกแต่ผู้ที่จะมาเอาลูกไปนี่ต้องมีฐานะรายได้เท่าไหร่เท่าไหร่ว่าไปมีความรับผิดชอบที่ดีมีนิสัยที่ดีอะไรเราก็เลือกได้ใช่ไหมไม่มีกฎหมายห้าไม่ใช่เลย ให้บริจาคเราไม่ได้ขายลูกเสอย่างใช่ไหมพอเราอยากจะไปบวชเนี่ยลองลองทำ u ูทูปดูเลยเพราะหลังที่มันอยู่ต่างประเทศมันอยากจะได้ลูกมีเยอะแยะอ๋อมันเห็นเดี๋ยวมันก็ติดต่อกันมารับรองได้ไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงมาเลยเนี่ยติดต่อมาเยอะแยะเลยลองถ่ายรูปลูกแล้วใส่เข้าไปในยูทูปเดีต้องการบริจาคลูกขอให้ผู้ รับ ล, ลูกนี้ขอให้มีความเมตตารักเด็กชอบเด็กเลี้ยงเด็กมีฐานะดีให้เขาอยู่อย่างสุขสบายให้เขาเรียนหนังสือดีตัวพ่ออยากจะไปบวชลองทำดูเล่น ๆ, ๆก็ได้แล้วสมัยนี้เขาเขาองการอะไรเขาไปทางยูททางอินเทอร์เน็ตแล้ว ใครต้องการเงินขอเงินบริจาค ก, ก็เข้าไปในอินเทอร์เน็ตเนี่ยโกมีฟันเนี่ยมันมาละโกฟันมีอะไรเนี่ยปับ๊บเดียวไม่กี่ชั่วโมงมาเป็นแสนนะจะทำก็อยากจะทำไงก็ต้องทำตามที่เราอยากสิอยากแล้วเราไม่ได้ทำมันก็อยากไปก็ทุกไปเปล่าๆทุกเมาอยากแล้วไม่ได้ทำอส่องแคมอยู่ครับ อ, อ, อยู่ใส่องแคมป์ ความจริงมันไม่ใช่เรื่องของลูกกับเรื่องของกิเลสแล้วมากปว่ากิเลสมันยังไม่ยอมให้บวชถ้าไม่มีกิเลสแล้วมันง่ายจะตายไปให้เรื่องราวแบบนี้แม่เขาก็ยังอยู่ไม่ใช่หรืออยู่ ค, ครับนั่นไงใกล้แม่เลี้ยงไปบอกแล้วครับอบอกเขาไว้แล้วท่านยอมนะเมื่อก่อนไม่ยอมอตอนนี้ก็ยอมพอดีจะนี่ก็แฟนน ะ, ะ <laughs> มีลูกอยู่ทีนี้ก็เรื่องเรียนโรงเรียนวัดก็ได้โรงเรียนโรงพัทยายก็ได้ ไม่ต้องเสียเงินเลยมันก็สอนเหมือนกันไม่ใช่หรือมันก็มีปอหนึ่งถึงปอมอหกเหมือนกันเลยคนมันถ้ามันจะเก่งมันเรียนที่ไหนมันก็เก่งนั่นแหละ mm hmm. เขามีทางไปหรอกเราสมมติว่าถ้าเกิดเราเกิดอุบัติเหตุตายไปแบบนี้ทำยังไงเขาจะอยู่ต่อไม่ได้หรือเปล่าใช่ไหมเขาก็อยู่ได้เราเป็นเราเป็นก้างขวางคอเขานะเขาจะมีแฟนใหม่ก็มีไม่ได้ พอเราไปแล้วถ้าเกิดมีคนดีกว่าเข้ามาขอมาเป็นแฟนก็เขาก็มีได้ใช่แต่ถ้าเราอยู่เขาก็มีไม่ได้เพรานั้นไปแล้วเขาจะดีกว่าเราอยู่ไมนได้พูดยุยงไม่แตกกันนะแต่ถ้าเป็นทางถ้าแต่ถ้าบางการจะไปก็ต้องก็ต้องคิดแบบนี้มันถึงจะไปได้ ยังมันก็จะติดเรื่องนั้นติดเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องหรอกมันเรื่องของกิเลสกิเลสมันยังไม่อยากไป<ม>ใจเรามันมีสองฝ<ม>่ายดึงกันเหมือนทักไปเย่อกันฝ่ายธรรมกับฝ่ายกินนเลสตอนนี้ว่าจะมีซื้อบ้านให้เขาอยู่ที่กรเทพอะครับเอารูปมาเล่นที่นี่เ<ม>ก็บเงิมแป๊บหนึ่งนะฮะ<ม>แต่แปดปีเก้าปีนะั่นถือว่าเป็นระยะที่นาน<ม><ม>แต่ถ้าเกิดมันเร็วกว่านั้นก็กล่าวว่าจะ<ม>ก็ดีอย่างน้อยวางแผนนี่ก็ดี นึ่งแต่ว่ามันอนาคตมันไม่แน่นอนท่านแล้วเนีกลัวไม่เตี้ยอาจารย์เราไม่รู้จะไปเรียนรู้จากที่ไหนครับตอนมีเนี่ยเมื่อก่อนมีหลวงตาเมื่อมีหลวงตาก็ไม่มีเราเนียตอนนั้นนี่ไม่มีหลวงตาก็มีเราขึ้นมาเดี๋ยวไม่มีเราก็มีพระองค์อื่นขึ้นมามีเยอะแยะมามีทางกันเลยเลยสมัยก่อนมีหลวงตาก็มีหลวงปู่มั่นอยจะรู้ได้เขารู้เนี่ยเราครู้คุณมารู้จักเราได้ยังไงถึงเวลามันก็โผล่มาเองแหละเหมือนเห็ดนะ มือนเห็ดเหตเวลามันก็ผล่ขึ้นมาอ <c oughs> ครันเก็บเห็ดคนก็รอเวลามันโผล่ขึ้นมาคนก็ไปเก็บเห็ดมีมีกูบาอาจาร <c oughs> ยา์เยอะแยะไปหมดตอนนี้ก็มีที่นี่แหละครับในเมืองไทยนี่แหละ <c oughs> ที่นี่มีไหมครับไม่รู้เหมือนกันอนะันนี้เราไม่รู้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เราไม่ได้ไปแสวงหาใครเราเลยไม่รู้ <c oughs> แต่เราเชื่อว่ามีมีตัวตายตัวแทนกันเนะี่ย ถ้าสองันห้าร้อยกว่าปีแล้วหลังจากพระพุทธเจ้าจากพวกเราไปนี้ก็มีตัวแทนพระพุทธเจ้ามาตลอดระยะเวลาไม่ต้องกั ง, งลวลหรอกโอ้ยสบายแปดเก้าปีขอให้กังวลในที่ตัวเราจะปฏิบัติได้หรือเปล่าตอนนี้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้หรือเปล่าศีลห้าหรือศีลแปดถ้าได้ศีลแปดยิ่งดงีแต่คงไม่ได้การคงไม่ยอมไม่ถือศีลแปด น, นี้เอนนออย่างน้อยก็วันพระเอาศินแปดสักวันหนึ่งอออีกอีกหกวันก็ให้แฟนไปให้แฟนให้สินห้าแฟนไปอวันหนึ่งก็ขอสินแปดสักวันหนึ่งออขอมาฝึกสมาธิมานั่งสมาธิทําใจให้สงบพอถ้าไม่ฝึกเตรียมตัวไว้เดี๋ยวถึงเวลาไปบวชก็บวชแล้วก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวมันไม่มีความสุขมันก็เสื่เองกัน เพราว่ามันเสิกง่ายนะเห็นคนที่ตั้งใจจะมาบวชเยอะแยะบวชได้อยู่ไม่กี่เ ด, ดือนเสิกแล้วใจมันทิกเวลามันไม่มีแล้วมันสิ่งที่ไม่มีมันอยากได้พอมันได้แล้วมันก็ไปอยากได้อย่างอื่นพอได้บวชแล้วทิ้ก็อยากไปเที่ยวแล้วพออยากไปเที่ยวก็เที่ยวไม่ได้แล้วก็ต้องเสกถึงจะไปเที่ยวได้ตอนที่ตอนนี้เที่ยวได้ไม่อยากเที่ยวแล้วอยากบวชพอยังไม่ได้บวช ยมันใจมันจะหลอกเราอย่างเงี้ยเวลาสิ่งไหไที่เรามีแล้วเราไม่อยากได้แล้วใช่ไหยอยากจะได้สต่ของที่เรายังไม่มีพอยังไม่ได้บวชเห็นคนเขาบวชก็อยากจะบวชกับเขาพอได้บวชแล้วเห็นคนเขาเที่ยวก็อยากจะเที่ยวกับเขาพออยากจะเที่ยวก็เลยก็ต้องก็ต้องไปเที่ยวแบบพระมันก็ไม่สนุกวันี้ก็เที่ยวแบบโยมเที่ยวแบบพระก็กินเหล้าไม่ได้เที่ยวแบบโยมก็กินเหล้าได้ จิตมันจะหลอกเรานะระวังมันจะพลิกไปพลิกมาเวลาเรามีอะไรแล้วสิ่งที่เรามีมันจะไม่มันไม่สนใจลนะมันจะสนใจกับสิ่งที่มันไม่มีตอนนี้ไม่มเราไม่มีผ้าเหลืองก็นสนใจผ้าเหลืองอยากจะบวชนนะเดี๋ยวพอมีผ้าเหลืองกนะ็ไม่สนใจละไปสนใจกางเกงลีวายนะ <laughs> ชายสามบสถ์ก็ได้ยินมาชายสามบสเนี่ยก็แบบนี้แหละเวลาเป็นคาราวะาก็อยากจะเป็นพระออกบรรพะปั๊บก็อยากจะกลับไปเป็นคาราวะาก็เลยสึกไปบวชไปสึกไปสามครั้งเรือชายสามโบทถ์ถ้าแบบนี้ไม่ดีเพราะมันมันไม่ได้เลยสักอย่างคารวะก็ไม่ได้ไม่ได้ดีทางคารวะทางพระก็ไม่ได้ดีทางพระมันไม่เอาอย่างใดอย่างหนึ่งแบบที่เมื่อกี้คนพูด เ, เหยียบเรือสองแคมเนี่ย ใจหนึ่งก็อยากจะเป็นพระใจหนึ่งก็ยังอยากจะเป็นคารวะอยู่มันต้องตัดไปเอาทางใดทางหนึ่งไปเลยอาจจะเป็นพระก็ไม่ศึกเลยถ้าเป็นโยมก็อย่าไปบวชเลยถ้าอยากจะเป็นโยมที่จะเป็นพระได้นี่มันต้องปฏิบัติทาให้ได้ก่อนใจต้องมีธรรมะก่อนถึงจะไปแบบไม่กลับได้ถ้าใจไม่มีธรรมะไปเดี๋ยวมันหิว ทางรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะกลับมาที่กลับมาที่เสือ ก, กันก็เพราะมันยังหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ยังอยากเสพกามอยู่อยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เป็นพระมันเสพไม่ได้ไไดเวลาเป็นโยมันเสพกามได้แล้วพอนั่งสมาธิหน่อยจิตเบาหน่อยก็คิดว่าได้ธรรมะแล้วก็เลยคิดว่าไปบวชได้พอไปบวชได้ปั๊บนั่งสมาธิไม่สงบแล้วสิ เพราะเมื่อก่อนมันมีความอยากเสพกลางก็ได้เสพมันก็เลยไม่ไ ม, ไม่ไม่วุ่นวายใจพอมันเป็นพระมันอยากจะเสพกลาง ม, มันไม่ได้เสพเลยวุ่นวายใหญ่ละนั่งสมาธิยังไงก็ไม่สงบแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> จนในที่สุดก็ต้องลาสิกขาไป <Yeah. S 1> แต่ถ้าเราเป็นพระตั้งแต่ก่อนเราบวชได้นะี่บวชแล้วไม่สึกหรอกก็คือเราไม่เที่ยวตั้งแต่เรายังไม่บวช เราไม่เสพการตั้งแา่เราไม่บวชเราถือศีลแปดไปได้ตลอดเวลาถ้าอย่างนี้ไปบวชได้บวชแล้วไม่สึกถ้าเรานั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้แล้วต้องการเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็เข้าได้รับรองได้ไปบวชแล้วจะไม่สึกแต่ถ้านั่งสมาธิเข้าได้บ้างเข้าไม่ได้บ้างแล้วยังอยากไปเที่ยวอย่างนี้รับรองได้ไปบวชนี่ไม่แน่ ถ้าไม่ตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้จิตมันสงบจริงๆแล้วก็ตัดความอยากเที่ยวได้จริงๆเดี๋ยวมันก็สู้ไม่ได้มันก็เสร็จได้เห็นตอนนี้มีเวลาเตรียมตัวอย่าไปเตรียมแต่เฉพาะทรัพย์สมบัติให้ลูกให้เมียต้องเตรียมทรัพย์ของเราด้วยทรัพย์ภายในต้องเตรียมทำเนี่ ย, ยวันพระต้องถือศีลแปดแล้วถ้าไปขอภรรยาไปอยู่วัดได้ก็ไปอยู่วัดทั้งวันหนึ่ง จะได้ไม่มีอะไรมาคอยยั่วยวนควรใจอยู่ใกล้กันแล้วมันอดไม่ได้ <c oughs> ไปอยู่วัดไปอยู่ที่สงบ <c oughs> ไปภาวนาแล้วต่อไปก็เพิ่มจากวันหนึ่งเป็นสองวันสองวันเป็นสามวัน <c oughs> เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าจะเสียศีลแปไปเรื่อยๆก็ต้องยกต้องอนุญาตแฟนหวอจะจะไปมีแฟนใหม่ก็ไปได้เราอยู่เป็นเพื่อนกัน เขาจะได้ไม่เหงาอยเลงเราถือสินแปลได้ก็ถือไม่ได้เขาก็จะเหงา <c oughs> นนี่คือการเตรียมตัวถ้าไม่เตรียมตัวเดี๋ยวพอถึงเวลาก็ไปไม่ได้ะ <c oughs> ที่มันไปไม่ได้ไม่ใช่เพราะไอ้ไอปัญหาต่างๆที่เราพูดถึงหรอกอันนั้นเป็นปั ญ, ปญหาย่อยปัญหาใหญ่ก็คือเราถือสินแปลได้เปล่าตอนนี้ะ <c oughs> อยู่แบบไม่ท่องเที่ยวได้หรอป่ะไม่เที่ยวไม่กินไม่เดื่มไม่หาความสุขทางตาหัจะมูกนิ่นกายจะนั่งแต่สมาธิอย่างเดียวทีวีก็ไม่ดูเพลงก็ไม่ฟังต้องทําอย่างนั้นต้องทำต้องบวชใจก่อนถ้าบวชใจได้แล้วบวชกายง่ายกายมันแค่โกนหัวหาผ้าเหลืองมาห่มนั่นเอง หลวงตาท่านบอกว่ากิเลสกิเลสมันไม่ได้ตายเพราะผ้าเหลืองโคนหัวห่มผ้าเหลืองกิเลสที่มีอย่ในใจก็ยังมีอยู่เท่าเดิมถ้าผ้าเหลืองวิเศษนี่ยคนขายผ้าเหลืองมันก็ต้องวิเศษไปนานนะเพราะมีผ้าเหลืองเต็มร้านเลยใช่ไหมผ้าเหลืองไม่ได้เป็นของที่ยาฆ่ากิเลสสิ่งที่ฆ่ากิเลสก็คือศีลสมาธิปัญญาเราต้องสร้างศีลสมาธิปัญญาขั้นต้นก็สร้างศีลก่อน สินแปดสินแปดถึงจะฆ่ากิเลสได้แล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็สร้างปัญญาขึ้นมามองให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์อยาาไปอยางได้เพราะอยากได้แล้วมันปัญจะกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆที่มันทุกข์เพราะอะไรเพราะมันไม่มันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวก็เสียไปเวลาจากกันดีไหม <S <S <S เวลาจากกาันดีใจแล้วเสียใจ ทุกโลกนี้เป็นโลกของการจากกันโลกของการพัดผ้าจากกันมาเจอกันชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกันเดี๋ยวก็ต้องไปกันคนละทิศคนละทางเวลาจากกันก็ทุกข์เวลเศร้างั้นอย่าอย่าไปมีอะไรอย่าไปได้อะไรถ้าไม่มีก็ไม่กไม็ไม่มีการจากกันก็ไม่มีการเศร้าพอมีมันก็ต้องมีการจากกันพอจากกันมันก็จะเศร้า เพราะเราไม่อยากให้มันจากพอเรามีอะไรแล้วเราก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่อยากให้มันจากเราไปแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะไม่จากกันทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีวันพัดทาคจากกันนี่คือปัญญาถ้าเห็นว่างนี้แล้วต่อไปก็จะไม่อยากมีอะไรไม่อยากได้อะไรไม่ยากได้รูปเสียงกลิ่นลดเมื่อไม่อยากได้รูปเสียงกลิ่นรดก็ไม่ต้องมีตาหูจมูกนิ้นกายก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ อนี่คือสิ่งที่ควรจะเอาไปเตรียมตัวด้วยไม่ใช่แต่เตรียมหาเงินซื้อบ้านอย่างเดียวพอถึงพอถึงเวลานั้นใจอาจจะไม่มีธรรมะเหลืออยู่แล้วก็ได้มัวแต่ยุ่งกับการหาเงินหาทองพอเวลาจะไปได้ก็ไม่มีกําลังไปแล้วตัวที่จะไปทําให้เราไปได้ไม่ใช่เงินทองที่เราหาให้ลูกเมียแต่ตัวที่จะทําให้เราไปได้ก็คือธรรมะที่เราสร้างขึ้นมาคือศรรีลสมาธิปัญญา ถ้ามีศีลสมาธิปัญญาแล้วเงินไม่พร้อมก็ไปได้มีวิธีทำวิธ <connections? SUPER S 1> <t iny, ieri> <biodiversity> ีไปได้ไม่ต้องกลัวหรอกมีหลายวิธีไม่ต้องใช้เงินหาแฟนใหม่ให้แฟนก็ได้ง่ายจะตายเลย อหาแฟนดินด่วนใหแฟนหาเพื่อนดิด่วนสักคนให้มึงช่วยเลี้ยงเมียกูหน่อยมาไม่ใช่หรออันนี้เข้ามาเท่าไหร่ทางเฟซบุ๊กอันนี้เฟซบุ๊กสูงสุด430ค่ะ YouTube 104ค่ะอ่าันนี้สัญญาณคงจะดีนะไม่ไม่มีใครบ่นนะมั้งมียู u ูบบ่นนิดหน่อยบ่นนิดหน่อยเสียงเลยว่าสัญญาณขาดหายไปหลายอาทิตย์ทำไงนี่ เลยรับไม่ได้ผิด เ, เอมคงจะเป็นที่ปลายทางนะเราะที่นี่มันมันมีทุกวันเนี่ยตอนนี้เราลองตัวสัญญาณของยูทูบตอนนี้ยังดีอยู่อ่ยังมีคือมันมีตัวแปรหลายตัวต้นทางก็มีตัวตัวส่งตัวรับส่งปลายทางก็มีตัวรับส่งกว่าจะไปถึงปลายทางนี่มันต้องส่งเป็นทอดๆเนี่ยพวกนี้มันส่งไม่ไกลหรอก รักสิบกิโลยี่สิบกิโลมันก็ต้องมสีสถานีถ่ายทอดกันไปถ้าเกิดสถานีช่วงไหนมันขาดมันเสียไฟดับมันก็ช่องช่องนั้นก็ไปไม่ได้มันก็ต้องไปช่องหนึ่งทันยานก็ จ, จะอ่อนลงอะไรมีคําถามต่างประเทศไหมไม่มีมอะไรันนี้เอาเลยคำถามจากคุณปิดพระอาจารย์ครับ เจโตวิมุตคืออะไรครับผมอยากรู้ขอเป็นทานครับเจโตวิมุตปัญญาวิมุตเนี่ยคือการจะวิมุตตเนี่ยมันต้องมีศีลสมาธิปัญญาแต่คนที่ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้บางคนจะมีความสามารถมากกว่าทางใดทางหนึ่งทางปัญญาหรือทางสมาธิเหมือนกับมีแขนสองมีมือสองมือเนี่ย คนหนึ่งก็ถนัดมือขวาอีกคนหนึ่งก็ถนัดมือซ้ายก็เขียนหนังสือได้เหมือนกันใช่หมใช้มือขวาเขียนก็เขียนได้คนที่ถนัดมือขวาก็ใช้มือขวาเขียนคนที่ถนัดมือซ้ายก็ใช้มือซ้ายเขียนคนที่วิมุตคนที่เจโ ต, จตวิมุตตินี้ท่านบอกว่าเป็นพวกที่เก่งทางสมาธิแต่ทางปัญญาก็ก็グ er, グ er, พอถูถ่ายไปได้ พอถ้าเป็นนักเรียนก็เรียนผ่านได้ได้เกรดสองขึ้นไปแต่แต่ทางสมาธินี่เก่งคือข้าวสมาธิได้เร็วได้ง่ายแล้วก็อาจจะมีอภิญญามีความสามารถพิเศษต่างๆพวกนี้เรียกว่าเป็นพวกเจโตมิมุติคือมีความชํานาญมีความเก่งทางด้านสมาธิมากกว่าปัญญาเช่นพระโมคคัลลานะเนี่ยท่านเก่งทางด้าน สมาธิมากกว่าเก่งทางด้านปัญญาแต่ไม่ใช่ว่าท่านไม่มีปัญญาท่านก็มีปัญญาท่านมีปัญญาที่ทำให้ท่านบรรลุได้เพราะการจะบรรลุนี่ต้องมีทั้งสมาธิทั้งปัญญาเพียงแต่ว่าท่านถนัดทางสมาธิมากกว่าทางปัญญาชำนาญทางสมาธิมากกว่าเขาก็เลยเรียกพวกนี้ว่าพวกเจโตวิมุตส่วนภาษาลิบุตรนี่ท่านชำนาญทางปัญญามากกว่าทางสมาธิสมาธิท่านก็มี แต่ท่านไม่เก่งเหมือนกับพระโมคคัลลานะท่านไม่มีอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆไม่มีอภิญญาไม่เหมือนกับพระโมคคัลลานะท่านมีอภิญญาแต่ทางปัญญานี่ท่านเก่งกว่าพระโมคคัลลานะท่านฉลาดมีปัญญาแหลมคมกว่าพวกนี้เรียกว่าพวกปัญญาวิมุตต์เจตโตวิมุตตกับปัญญาวิมุตตมีสองพวก พวกปัญญาวิมุตตินี้ถือว่าเหนือกว่าพวกเจโตวิมุตต์ถึงแม้จะไม่มีไม่มีอภิญญาไม่มีตาที่พูทิ่ติดต่อกับเทวดาไม่ได้ก็ตามแต่พวกนี้มีปัญญาที่สอนคนได้ดีกว่าสอนได้เก่งกว่าทำให้คนฟังเทศฟังธรรมรู้ได้เร็วกว่าพระพุทธเจ้าเลยยกย่องพระสาวรีบุตให้เป็นอัครสาวกขวาเป็นมือขวา ส่วนพระโมคคัลลานะนี่ท่านยกให้เป็นมือซ้ายแต่สําหรับพระพุทธเจ้าอย่างนี้ท่านเป็นทั้งเจโตวิมุตติทั้งปัญญาวิมุตต์ท่านเก่งทั้งสองด้านเก่งทั้งปัญญาปัญญาก็เต็มร้อยถ้าสอบก็ได้สี่จุดสมาธิสอบก็ได้สี่จุดเพราะท่านต้องค้นคว้าหาทางหลุดพ้นด้วยตนเองก็เลยต้องลองทุกวิชาเลยวิชาไหนก็ลองจนกระทั่งชํานาญทุกวิชานะ วิชาสมาธิก็สอบได้เต็มร้อยวิชาปัญญาก็สอบได้เต็มร้อยก็ <c oughs> ได้ทั้งสองเลยได้ทั้งเจโตได้ทั้งปัญญาวิมุตติแต่สําหรับคนบางคนนี่เคยเค ย, เคยเก่งทางสมาธิมา <c oughs> ก็จะมีความสามารถพิเศษทางสมาธิบางคนเก่งทางปัญญาพวกที่เจนันพวกนักวิทยาศาสต ร, ร์พวกที่ชอบคิดชอบอะไรเนี่ย คิดด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยพวนี้จะเก่งทางปัญญาเขาจะสมาธิไม่ค่อยเก่งพวกนี้เขาก็จะแต่สมาธิเขาก็ต้องมีการเรียนอย่าน้อยก็ต้องได้สองจุดขึ้นไปสมาธิก็ต้องสองจุดแต่ปัญญาได้สี่จุดพวกเจโตนี้สมาธิสี่จุดแต่ปัญญาแค่สองจุดมันต่างกันตรงนี้แต่ต้องมีทั้งสมาธิทั้งมีทั้งปัญญามันถึงจะวิมุติได้ เพียงแต่ว่าจะมีอันไหนมากกว่ากันถ้ามีสมาธิมากกว่าปัญญาก็เป็นพวกเจโตวิมุตต์พวกที่มีปัญญามากกว่าสมาธิก็เรียกว่าปัญญาวิมุตต์พวกปัญญานี้มักจะไม่มีอิทธิริษไม่มีปฏิหารอะไรเจโตนี่มาจากคำว่าจิตหรืออ่านั่นแหละเจโตก็จิตจิตก็คือสมาธิเข้าใจไหมเข้าใจแล้วนะ ต่อไปไม่รู้ถูกก็ผิดนะเดี๋ยวคนย้างก็ยนนะ้ําเราเราก็แปลไปตามความเข้าใจของเรา <S <S 1> <S 1> เคยอ่านหนังสือเนี่ยของมุตตุรู้สึกจะเป็นมุตโตไทยเ ป, เป็นคําสอนของหลวงปู่มั่นเลยเอาจดจาร์ด้วยกันไว้บันทึกไว้แล้วก็มาพินเป็นหนังสือมุตโตไทยก็มีคําถามมีมีการแสดงเรื่องเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์เนี่ยถ้าสงสัยก็ลองไปค้นดูมุตโตไทยได้แล้วดูว่าเราพูดถูกกอพูดผิด พอเราอ่านมานานแล้วอ่านมาต้องสี่สิบกว่าปีแล้วสามสิบสี่สิบปีแล้วอาจจะคาดเคลื่อนก็นได้แต่นี่คือความเข้าใจของเราคําถามจากคุณขวัญถ้าเราอยากมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่หลุดโกรธหงุดหงิดโมโหง่ายต้องทํำยังไงคะต้องพุโทโธตลอดเวลาเนี่ยง่ายจะตายไปพุโทโธพุโทโธพุทโธไปเรื่อยๆทาไมคิดอย่างอื่นขึ้นได้ผมให้มาคิดพุดโทโธคิดไม่ได้คิดทั้งวันหเปล่าคิดใช่ไหม คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดได้พอให้คิดพุทโธพุทโธคิดไม่ได้มันยากตรงไหนมันก็ความคิดเหมือนกันลองคิดดูเลยถ้าคิดพุทโธพุทโธมันก็จะไปโกรธคนนั้นโกรธคนนี้ไม่ได้เพราะเราไม่ได้ไปคิดถึงเขาไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องที่เขาพูดไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องที่เขาทําแล้วเราจะไปโกรธได้ยังไงถ้าเราอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวความจริงไม่ได้ทั้งวันหรอก ถ้าเรามีพุโทโธหยุดความคิดได้เราก็ไม่ต้องพุโทโธแล้วพอใจเราไม่คิดอะไรรู้เฉยๆ <c oughs> เห็นอะไรก็สักแต่ว่ารู้ได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยนินไม่คิดอะไรเราก็ไม่ต้องพุโทโธแต่พอมันมันได้ยินอะไรแล้วมันคิดขึ้นมาเราก็ต้องหยุดเหมือนพอเขาดา่าเราได้ยินเสียงเขด่าเราก็คิดความโกรธขึ้นมาเราก็ต้องหยุดเหมือนพอเราใช้พุโทโธสองสามคำมันก็หายแล้วถ้าเราไปถึงจุดนั้นนะจุดที่มันไม่คิดแล้วพอมันจะคิดนี่เราใช้พุทโธสองสามคำ บางทีไม่ต้องใช้พุทธโธเพียงแต่รู้ว่ามันคิดก็สั่งให้มันหยุดได้ถ้ามีสติมีกำลังมากพอถ้ากำลังไม่มากพอสั่งให้มันหยุดมันไม่ยอมหยุดก็พุทธโธใช้พุทธโธใส่เข้าไปเดี๋ยวมันก็หยุดไอ้เว้จริงจังมันยังพุทธโธได้เลยพุทธโธพุทธโธพุทโธนี่มันมาฟังทุกวันมันกูจ <laughs> ทั้งถามจากคุณจินดาคนที่ทำบุญโดยใจอยากได้บุญเป็นของแลกเปลี่ยนทุกครั้งถือว่าเป็นกิเลสหรือไม่ครับและจะได้บุญหรือเปล่าครับคือบุญนี่มันจะอยากหรือไม่อยากมันได้มันกินข้าวมันจะอิม่มถ้ากินข้าวจะอยากอิ่มแล้วไม่อิ่มมันก็อิ่มมันก็จะอยากก็ได้ไม่อยากก็ได้มันก็มันก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าจะไ่อ ย, อยากอย่างอื่นสิทาบุญแล้วอยากรวยอย่างเงี้ยผิดแล้ว พราผลรวยนี้ไม่ได้เป็นผลที่เกิดจากการทำบุญผลจากการทำบุญก็คืออิ่มใจสุขใจถ้าความอิ่มใจสุขใจนี้ไม่ต้องไปอยากมันได้แล้วแต่ถ้าอยากจะรวยนี้มันไม่แน่ถ้าจะแน่ก็ต้องรอชาติหน้าเงินที่เราเก็บไวน้นี่มันจะกลับมาชาติหน้ารอเราอยู่เป็นเหมือนเงินฝากไว้ในธนาคารแต่ชาตินี้ไม่แน่เช่นวันนี้หวยออกตอนเช้าใส่บาท ตอนเย็นไม่น่าจะถูกก็ไม่ถูกมันคนละเรื่องกันเรื่องบุญกับเรื่องถูกหวยนี่ไม่คนละเรื่องแต่บางคนมันมาจะเอะกันเข้ามันก็เลยคิดว่าเออใส่บาตรวันวันหวยออกแล้วทางหวยแล้วได้ถูกหวยมันไม่ใช่ถ้าอย่างนี้เป็นกิเลสคําถามจากคุณอ้อลูกเอาเงินหยอดกระปุกไว้บนทิ้งพระแล้วอธิษฐานบอกกับหลวงตามหาบัวว่าลูกไม่ค่อยได้ใส่บาตรตอนเช้า ลูกขอทําบุญโดยการหยอดกระปุกไว้แทนแล้วพอช่วงวันหยุดลูกก็จะเอาเงินที่หยอดกระปุกไว้ไปทําบุญร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงตาค่ะลูกทําแบบนี้มาสองปีแล้วหากลูกจะแบ่งเงินบางส่วนไปทําบุญอย่างอื่นบ้างจะบาปไหมคะก็อยู่ที่เจตนาเดิมของเราว่าเงินนี้ก้อนนี้เราต้องการหยาบไปทําอะไรถ้าต้องการทําอะไรก็ต้องทําตามที่เราตั้งเจตนาไว้จะดีกว่าแต่ถ้าเราอยากจะทําอย่างอื่นเราก็หากระปุกอีกใบามาใส่ก็ได้ ยากกันไปว่ากระปุกนี้ทําบุญพิพิธภัณฑ์กระปุกนี้ทําบุญทั่วไปแล้วแต่จะมีอะไรที่จะอยากจะทําก็ทําได้หรือจะบอกว่าก่อนที่เราจะเอาเงินใส่กระปุกแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะข อ, อไปทําบุญทุกประเภทกันไดบุญประเภทไหนถึงเวลาก็ทําได้ก็เอาไปได้ไม่งั้นเราจะหลอกตัวเราเองพอถึงเวลาจะเอาเงินไปทําบุญขอแบ่งไปซื้อกระเป๋าก่อนละ ลองเท้าสิลองเท้าอย่างนี้เดี๋ยวมันจะหลอกตัวเองอเดือนเดือนจะไม่ได้ทําบุญเดี๋ยวเราต้องมีสัจจะมีอธิษฐานมีความตั้งใจที่แน่วแน่ตั้งใจจเาเงินนี้ไปทําบุญอย่างไหนก็ต้องเอาไปทําอย่างนั้นจะได้ไม่หลอกตัวเราเองคําถามจากคุณเจษณีบิดาของลูกไม่ได้ทําบาปแต่ก็ไม่ค่อยได้ทําบุญ พ่อมีนิสัยชอบช่วยเหลือคนเช่นเวลาขับรถไปเจออุบัติเหตุยังไม่มีคนช่วยเหลือพ่อจะจอดรถไปช่วยเหลือเขาอยู่บ่อยๆตอนนี้พ่อเสียชีวิตแล้วเราทําบุญให้ท่านบ่อยๆท่านจะได้รับหรือไม่คะก็อย่างที่บอกว่ามันยินแล้วแต่สถานภาพว่าท่านรอรับอยู่หรือเปล่าถ้าท่านดีบุญมากกว่าบาปท่านก็อาจจะไปเป็นเทวดาขั้นต่ําก็ได้หรือถ้าบาปกับบุญเท่ากันท่านก็อาจจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ ถ้าเป็นมนุษย์ท่านก็ไม่ต้องมาขอส่วนบุญของใครท่านก็ทำของท่านเองได้ง <Yeah. S 1> ั้นก็แล้วแต่สถานภาพที่เราไม่รู้กันเพราะเราไม่มีตาทิพย์เหมือนพระพุทธเจ้าถ้าเรามีตาทิพย์นี่เราจะรู้ว่าตอนนี้พ่อเราอยู่ที่ไหนอยู่สวรรค์หรืออยู่อบายเป็นเปรตหรือเป็นเดรัฉาน <Yeah. S 1> พระพุทธเจ้าท่านมีตาทิพย์เนี่ยมีนิทานสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านมีตาทิพย์ าหาแม่ได้ว่าแม่ตายไปแล้วอยู่ที่ไหนไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวเดึงนูสุดทาวาสก็ไม่รู้ชั้นไหนท่านก็อยู่สิทตต้อนงะอยู่ดุสิ์แต่เวลาลงมาเฝ้าพระพุทธเจ้านท่านลงจากดุสิตมาสู่ชั้นชั้นดาวเดึงหรอะไรนี่พระพุทธเจ้ามีตาที่ท่านค้นหาแม่ได้ว่าอยู่อยู่ที่ไหนพอรู้ว่าอยู่เป็นสวรรค์ท่านก็ไป ไปโปรดไปเทศสอนธรรม ะ, ะพระพุทธเจ้าท่านรู้แม้แต่คนที่ตายไปแล้วกลับมาเกิดเป็นหมาท่านก็ยังรู้เนี่ยมีเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยเวลามีชีวิตอยู่ก็หาเงินอย่างเดียวได้เงินมาก็หวงแม้แต่ลูกๆ ก, ก็ไม่ไม่ให้ให้ก็ น, นิดเดียวส่วนใหญ่ก็เก็บเอาไว้เองอแล้วก็ไปซ่อนไปฝังไว้ในดินไม่บอกลูกๆกลัวลูกๆมันจะเข้ามาขามโมยไปใช้ แล้วบุญก็ไม่ทําทําแต่บาปเวลาหาเงินก็โกงก็กงรักทรัพย์ได้ก็ลักทรัพย์พอตายไปก็กลับมาเกิดเป็นหมาในบ้านของตัวเองเพราะความผูกพันกับเงินทองที่ตนเองได้หามาแล้วฝังไว้ในดินเพระพุทธเจ้าเดินผ่านมาเห็นหมาตัวนี้ท่านก็รู้ว่าหมาตัวนี้เป็นเจ้าของบ้านกลับมาเกิดใหม่เพราะความห่วงสมบัติห่วงสมบัติ แล้วไม่เคยทำบุญทำแต่บาปก็เลยกลับมาเกิดเป็นเดรัจฉานเราบอกลูกๆว่าหมาตัวนี้เป็นพ่อของเธอมาเกิดใหม่นะเลี้ยงมันไว้ให้ดีๆอย่าให้มันเป็นอะไรเดี๋ยวมันจะพาไปขุดสมบัติที่พ่อเราฝังไว้ให้แล้วเดี๋ยวไม่นานมันก็ไปขุดสมบัติต่างๆว่ามันเป็นคนฝังเองมันก็รู้ที่มันจำที่ได้มันก็ไปขุดลูกๆ ก, ก, ก็เลยสบายนั่น ในเงินของพ่อที่หามาฝังไว้ในดินนี่คือคนตาทิพย์เนี่ยมีอภิญญาอย่างเงี้ยเรียกว่ามีอภิญญาพวกเจโตเนี่ยพวกเจโตนี่เขาจะสามารถเห็นกายทิพย์ได้ติดต่อกับเทวดาได้อย่างหลวงปู่ม้เาเในสมัยปัจจุบันนี้ท่านเป็นทั้งสองอย่างนะเทาที่วิเคราะห์กันดูท่านก็เก่งทางปัญญาท่านแสดงธรรมได้อย่างละเอียดดอ คนฟังนี้เอาไปปฏิบัติบรรลุเป็นพระอาหารกันเยอะแยะไปหมดท่านเป็นคนผลิตพระอาหาันในยุคปัจจุบันขึ้นมาแล้วท่านก็ติดต่อกับเทวดาได้อ่านใจลูกจิตได้เวลาเทศน์นี่ถ้าลูกจิตกำลังไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่นี่ท่านรูล้ล้ท่านเคยไปนั่งสมาธิแล้วท่านอยู่บนเขาแล้วมีพระหลวงตาอีกองคหนึ่งนั่งอยู่ที่ตีนเขา ตานคืนเวลาท่านนั่งสมาธิท่านส่งจิตมาดูจิตของน้องพ่อน้องตาว์นี่กำลังทําอะไรอยู่ท่านกําลังนั่งคิดถึงลูกคิดถึงเมียตอนเช้าท่านเจอกันท่านบอกว่าไปกังวลกับลูกกับเมียทำไมเขาก็อยู่ของเขาเราก็อยู่ของเราพอพูดท่านนี่น้องตาว์นั้นอายเลยหนีเลยไม่กล้าอยู่เท่านั้นเนี่ไม่อยู่ใกล้ไม่กล้าอยู่ใกล้เนี่ยไปอ่านเนี่ยนิจอยู่ในหนังสือประวัติอาจารยมั่นเนี่ย หลวงตาท่านเล่าเพราะว่าท่านเคยได้ยินหลวงปู่ท่านเล่าให้ฟังนี่แหละพวกที่เขามีตาที่เป็นอย่างเงี้ยก็าสามารถที่จะรับึกชาติได้อ่านจิตอ่านใจของผู้อื่นได้สามารถติดต่อกับกายทิพย์ได้แสดงธรรมให้พวกเทวดาได้เทวดามาฟังธรรมกับหลวงปู่มั่นอยู่เรื่อยๆเหมือนกับพระพุทธเจ้าแล้วท่านการแสดงธรรมแบบแบบ ฟังแล้วประทับใจฟังแล้วทำให้คนเข้าใจบรรลุธรรได้ท่านผลิตป้าอรหันสายของท่านนีเยอะแยะไปหมดครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นนี่ฉะนั้นก็จะคิดว่าท่านอาจจะเป็นทั้งเจโตวิมุตตทั้งสองอย่างก็ได้อาจไม่ได้ในระดับเดียวกับพระพุทธเจ้าแต่ก็ได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งปัญญาวิมุตตได้ทั้งเจโตวิมุตตนี่ก็กิดเรื่อง เรื่องแถมเข้ามาอะไรยพยูดเข้าไปเสริมความรู้ต่อไปคำถามจากคุณมนุษย์คือส่วนหนึ่งความฝันเกี่ยวกับสภาวะจิตหรือเปล่าครับความฝันก็ไปเกี่ยวกับการการะทําที่เราทําไว้ไงเหมือนกับเวลาทำเนี่ยตอนนี้เราทำอะไรอยู่เนี่ยใจมันอัดไว้นะมันอัดมันอัดเป็นเทปเก็บไว้ในใจเรานะพอตอนนอนหลับมันก็มาเปิดฉายเราดูใหม่ ถ้าเราทาความดีเรานอนหลับเราจะฝันดีถ้าเราทำบาปเรานอนหลับเราจะฝันร้ยายคาถามจากคุณอันนบพระอาหารหันต์มีฝันดีฝันร้ายไหมครับและจะเรียกว่าความฝันหรือนิมิตครับอ๋อต้องรอให้เป็นพระอาหารหันต์ก่อน <c oughs> <c oughs> อันนี้สันทิตโกคคำถามจากคุณสายทาน หนูอยากทราบเจ้าค่ะลูกศิษย์ครูบาอาจารย์หากใส่ร้ายใส่ความคนอื่นให้ทุกข์ร้อนขนาดหนักจะได้รับผลแห่งกรรมหรือไม่คะเพราะเขาทำบุญมานานดูแลครูบาอาจารย์มานานเขาจะไม่ตกนรกเพราะใส่ความคนอื่นหรือเจ้าคะหนูอยากทราบเจ้าค่ะ อ, อ๋อมันขึ้นอยู่กับว่าบุญกับบาปอันไหนมีกำลังมากกว่ามันมีผลเพียงแต่ว่าจะอันไหนจะส่งผลก่อนถ้าทำบุญมากกว่าทำบาปบุญมันจะส่งผลก่อน แต่พอบุญหมดนี่บาตรมันจะส่งผลต่ อ, อเพราะฉะนั้นมันส่งผลดังนั้นเพียงแต่ว่ามันก่อนลื่นหลังเท่านั้นเองอำ ถ, ถามจากคุณปาวดีไปวัดไม่บริจาคจะได้บุญไหมคะจะไม่ได้อะไรไม่ได้บริจาค ก, ก็ไม่ได้บุญจากการบริจาคไปวัดแต่ถ้าไปฟังธรรมก็ได้บุญจากการฟังธรรมมาที่นี่ถ้าเกิดมาแล้วไม่มีสตังมานั่งเฉยๆมาฟังเทศฟังธรรม อันนี้ก็จะได้บุญที่เกิดจากการฟังธรรมมันก็เป็นความสงบอย่างหนึ่งฟังธรรมแล้วจิตใจสงบไปความสุขเหมือนกับเราทำบุญทำบุญแล้วจิตใจเราก็สงบในความสุขมันก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งเหมือนอาหารที่จะนิดต่างกันกินอาหารกินก๋วยเตี๋ยวก็อิ่มเหมือนกันกินข้าวผัดก็อิ่มเหมือนกัน บางคนบางคนนี่ก็อาจจะไม่ชอบทําบุญไม่ก็ไม่มีเงินจะทําบุญแต่ก็ชอบฟังธรรมเขาก็ฟังธรรมเขาก็ได้บุญที่เกิดจากการฟังธรรมคนบางคนไม่ชอบฟังธรรมชอบทําบุญเขาก็ทําบุญเขาก็ได้บุญจากการทําบุญทําทานแล้วแต่บุญมีสิบชนิดเนี่ที่เราจะได้บุญที่เกิดจากการให้เรียกว่าทานบุญที่เกิดจากการไม่ทําบาปรักษาศีลก็เรียกว่าศีล บุญที่เกิดจากการทําใจให้สงบทําใจให้ฉลาดแล้วเรียกว่าภาวนาบุญที่เกิดจากการอุทิศบุญเนี่ยอุทิศบุญเราก็ได้บุญอีกชั้นหนึ่งนะตอนที่เราทําบุญแล้วได้ชั้นหนึ่งแล้วแล้วอุทิศบุญนี้แบ่งบุญให้เขาก็ได้ได้บุญอีกชั้นหนึ่งได้สองชั้นบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญคเห็นคนอื่นเท่าทําบุญก็สาธุเข้าไปกับเขาไม่ใช่ไปด่าเขาว่าหรือไปบอกเขาโง่ไปทําทําไมเสีย เสีเงินเสียทองบุญไม่มีจริงหรอกตายไปก็ตายไปก็ศูนย์ทำไปเอาเงินไปเที่ยวไปกินดีกว่าพวกนี้ไม่พวกเป็นพวกไม่อนุโมทนาบุญพวกอนุโมทนาบุญเขาพูดเขาเห็นคนอื่นทําบุญแล้วเขาก็มีความสุขไปกับการทําบุญของผู้อื่นก็อนุโมทนาบุญบุญที่เกิดจากการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเมื่อกี้บอกว่าพ่อเขาไม่ชอบทําบุญแต่ก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอันนั้นก็เป็นบุญเหมือนกัน เวลามีอุบัติเหตุรีบรับคนไปส่งไปโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้อันนี้ก็บุญที่เกิดจากการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วบุญอีกชนิดก็คือบุญที่เกิดจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนสัมมาคารวะไม่อวดเก่งอวดดีอวดใหญ่อวดโตอ่อนน้อมถ่อมตนให้ความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่ผู้อื่นอย่างนี้ดีกว่า บางทีไม่ใหญ่กว่าเราเราก็อยากวหวเขาได้พวกนี้เขาไม่ถือสาถ้าทำอย่างนี้แล้วเขาจะมีความสุขแล้วบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงอันนี้ก็จะทำให้เรามีความสุขใจเราจะได้ไม่กล้าทาบาปเราจะได้แต่ทำแต่บุญ แลประการสุดท้ายบุญที่เกิดจากการให้ธรรมะแก่ผู้แสดงธรรมอย่างนี้ยผู้แสดงก็ได้บุญผู้ฟังก็ได้บุญนี่คือบุญสิทชนิดด้วยกันเลือกทำได้แล้วแต่เราต้องการทำแต่บุญที่เราต้องทำประจำก็มีอยู่มีอยู่สี่อันหนึ่งบุญที่เกิดจากการทาทานทำบุญทุกวันวันละบาทสองบาทห้าบาทสิบบาท บุญที่เกิดจากการรักษาศีลอย่างน้อยต้องรักษาศีน้าให้ได้ประจำทุกวันบุญที่เกิดจากการภาวนาต้องนั่งสมาธิกันทุกวันแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมกันทุกวันถึงจะได้ปัญญานี่คือบุญที่เราควรจะมีประจำส่วนบุญอย่างอื่นก็แล้วแต่การละเทศะถ้าเรามาทำบุญวันนี้เราก็เราก็ อ, อุทิศบุญไปถ้ามีเพื่อนเขาจะไปทอดผป่าเราก็ใส่ซองอนุโมทนาไปกับเขา ร่วมบุญไปกับเขาขับรถไปเจออุบัติเหตุต้องไปช่วยเหลือคนพาเขาไปโรงพยาบาลก็ทำไปเจอใครก็ยกมือไหว้ทำเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนจะไม่มีใครเกลียดคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนแต่คนที่อวดเบงอวดเก่งนี่ใครเจอใครก็ไม่อยากจะเข้าใกลนะ้อันนี้คือบุญต่างๆเลือกทำเอา คำถามจากคุณสมคิดผมถือสินข้อไม่กินอาหารหลังเที่ยงในช่วงช่วงเข้าพรรษาถ้าหิวมากๆสามารถกินอะไรได้บ้างที่ไม่ผิดสินครับพระอาจารย์กินสมาธิสินั่งสมาธิคนที่เขาถือสินแปะเขากินสมาธิกันแทนนั่งสมาธิแล้วพอจิตสงบแล้วมันหาย ห, ายหิวมันจะอิ่มที่หิวไม่ใช่ร่างกายหรอกที่หิวมันหิวที่ใจดังนั้นกินข้าวมันก็ไม่หาย ห, ายหิวอยู่ดีะกินข้าวเดี๋ยวมันก็อยากจะกินอีก ถ้าไม่อยากจะกินข้าวก็ต้องนั่งสมาธินั่งสมาธิพอใจสงบแล้วมันจะไม่หิวเนี่ยพระปฏิบัติเขาฉันมื้อเดียวกันได้เพราะอะไรเพราะเขามีสมาธิกินแทนข้าวเอย่างนี้เรากินสมาธิอยู่ตลอดเวลาใจสงบใจอิ่มตลอดเวลามันเลยไม่หิวข้าวนี้มันมีไว้สําหรับร่างกายแต่เวลาหิวนี่ไม่ใช่ร่างกายหิวถ้าร่างกายนี้มันกินวันละมื้อมันมันพอแล้ว ถ้ามันถ้ามันหิวแสดงว่าไม่ใช่ร่างกายหิวนะแสดงว่าใจหิวใจหิวก็ต้องกินสมาธิไปกินกว๋วยเตี๋ยวมันก็ไม่อิ่มเดี๋ยวมันก็หิวอีกกินกว๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวก็อยากจะกินขนมต่อใช่ไหมมันจะหิวไปเรื่อยเพราะฉะนั้นถ้าหิวถ้าหิวอยากจะทำให้อิ่มจริงๆก็ต้องไปนั่งสมาธิที่เขาให้ถือศีลแปดเพื่อให้เราไปไปไ ป, ไปกินสมาธิกัน เป็นย่งั้นเราจะกินทั้งวันทั้งคืนเพราะฉมั้นถ้าถือศีลห้ามันกินได้ตั้งถึงเวลาก่อนนอนเลยร่างกายมันถึงกลายเป็นตุ่มนี้ขึ้นมาเนี่ยคำถามจากคุณต้นทุนถ้าบวชแล้วจะไปเรียนภาคปฏิบัติกับพระอาจารย์ได้หรือเปล่าครับก็บแล้วาาาลแต่ที่มีที่ว่างหรือเปล่าตอนนี้ที่มันเต็มแล้ที่ตรงนี้รับได้มีกี่คน บาเหบุญเขานี่ได้สิบกว่าลูกท่นานเองงั้นส่วนใหญ่ก็ต้องไปหาสำนักที่อื่นกูบาอาจารย์มีเยอะแยะอยายให้หลวงปู่มัน่นลองไปติดตามดูลูกศิษย์ของหลวงปู่มัน่นท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นกูบาอาจารย์กันเยอะแยะไปหมดนบางวัดท่านกระลับได้เยอะบางวัดกรลับได้น้อยคำถามจากคุณสายน้ําอิงกระผมรู้ว่ากรรมมันมีจริงและตามเร็วมากถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์ แต่ไปซื้อปลาโดยให้แม่ค้าเขาฆ่ากรมีแบบนี้เราได้รับ ผ, ผลกรรมเยอะหรือเปล่าครับก็เท่ากันะฆ่าเองให้เขาฆ่าก็าาถือว่าเป็นเป็นกรรมเท่ากันแต่ถ้าเขาฆ่าแล้วมาขายนี่เราไปซื้อไม่ไม่บาปแต่ถ้าเราไปสั่งถึงบาปสั่งว่าพรุ่งนี้เอาปลาสามตัวอางเงี้ยบาปนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาต้องมาฆ่าปลาสามตัวให้กับเราแต่ถ้าเราเดินไปดูที่ร้านเขาเขากําลังขายปลาที่ตายแล้วเราก็ซื้อมาเลย นี่เราไม่ได้สั่งเขาเขาทำของเขาเองอย่างนี้ก็ไม่บาปคาถามจากคุณพีโกชีวิตเริ่มจากตื่นถึงนอนก็เจอความอยากอยู่รอบตัวทั้งวันโดยไม่รู้ตัวว่ามันคือโทษให้ตายเกิดรู้จบไม่รู้จบเราควรเริ่มต้นจากอะไรให้ความอยากเริ่มน้อยลงก็เริ่มต้นที่ทานเนี่ยทาบุญเวลาอยากจะเอาเงินไปซื้อกระเป๋าก็ามาทาบุญ แว้วอยากจะเอาเงินไปเที่ยวก็มาทำบุญนี่ก็ขั้นต้นตัดความอยากขั้นต้นขั้นที่สองก็เวลาอยากจะทำบาป ก, ก็ถือศีลไปอยากอยากอยากทำบาปความอยากก็เกิดการทำบาป ก, ก็เกิดจากความอยากอยากจะได้นู่นได้นี่มันก็อาจจะต้องไปทาบาปอยากจะฆ่าเขาเพราะก็ททำให้เราโกรธอยากจะลักทรัพย์ของเขาเพราะเราไม่มีเห็นเขามีเราก็อยากได้ มันก็เป็นความอยากอย่างนี้นก็ต้องทําทานแล้วก็รักษาศีลขั้นที่3ก็มาหยุดความอยากด้วยการนั่งสมาธิหยุดความคิดถ้าหยุดความคิดได้ความอยากก็จะหยุดไปแต่มันไม่หยุดแบบถาวรพอความคิดกลับมาเมื่อไหร่มันก็อยากขึ้นมาใหม่ได้ถ้าอยากจะให้มันอยากหายอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้รู้ว่าการทําตามความอยากเป็นการพายเรามากลับมาเกิดอยู่ได้เรื่อยๆ ทำให้เราต้องไปเจอกับความทุกข์กับความผิดหวังอยู่เรื่อยๆอยากแล้วไม่ได้ก็ผิดหวังหรือได้มาแล้วพอเสียไปก็เสียใจยให้คิดอย่างนี้เราจะเลิกความอยากได้อย่างถาวรคาถามจากคุณดาเรศเรื่องการมีเมตตาต่อบุคคลที่มุ่งเข้าใจผิดและทำไม่ดีต่อเราแต่เราก็ยังปฏิบัติดีมีเมตตาต่อเขา อย่างนี้ถือว่าปฏิบัติชอบแล้วใช่ไหมคะนั่นแหละตามได้ที่เรามีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ไม่ว่าเขาจะดีกับเราห ร, หรือไม่ดีกับเราอันนั้นก็เรื่องของเขาแต่เราต้องดีเสมอเราถึงจะเรียกว่ามีความเมตตาคําถามจากคุณนารีรัตน์เวลาหนูนั่งกรรมฐานทีไรจิตข้างในหนูชอบสวดมนต์และชอบคันตามร่างกายหนูควรจะทําอย่างไรถึงจะหายเจ้าคะ อ๋อเรื่องคันถ้าไม่ไปสนใจมันเดี๋ยวมันก็หายส่วนเรื่องสวดมนต์ถ้าเราชอบสวดมนต์เราก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ถ้าเราสวดมนต์มันอยากมันอยากจะสวดก็ปล่อยมันสวดไปไม่เสียหายตรงไหนเช่นสมมุติเรากําลังพุทโธอยู่แล้วมันไปสวดมนต์แทนเราก็ให้มันสวดไปก็ได้ไม่ต้องพุทโธใช้การสวดมนต์แทนพุทโธได้คําถามจากคุณนุกถ้าเรายังเป็นคารวาส แล้วเราปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเรามีโอกาสจะถึงภานิพาน์ได้มากน้อยแค่ไหนครับเท่ากัรนนะ่ะเป็นพระเป็นค า, ารวะนี้ไม่ได้อยู่ที่เป็นพระหรือเป็นค า, ารวะที่จะไปนิพพานอยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเราปฏิบัติได้เต็มร้อยก็สามารถไปนิพพานได้อย่างสมัยนี้เดี๋ยวนี้มีบางทีคนแก่อายุหกสตอนตอ น, ตอนที่เป็นเด็กไม่มีโอกาสได้จบมาหาลัยไม่ได้เรียนมาหาลัย ตอนมีอายุมากแล้วหกสิในเวลาก็ไปเรียนในมหาวิทยาลัยถ้าเรียนตามหลักสูตรเขาก็จบได้ได้ปริญญาเหมือนกับเด็กที่เขาเรียนเหมือนกันมันไม่ได้อยู่ที่วัยอยู่ที่เพศอยู่ที่มันอยู่ที่ว่าเรียนหรือไม่เรียนการปฏิบัติก็เหมือนกันมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นโยมหรือเป็นพระหรอกเป็นพระแล้วไม่ปฏิบัติมันก็ไปไม่ถึงนิพพานเป็นโยมแล้วปฏิบัติเยโยมไปถึงนิพพานมันไม่ได้อยู่ที่เป็นพระหรือเป็นคารวะ มันอยู่ที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเรียนหรือไม่เรียนเหมือนกับนักศึกษาเนี่ยนักศึกษาถึงแม่อายุจะหกสิบเจ็ดสิบถ้าตั้งใจเรียนก็จบได้ส่วนเด็กอายุสิบเก้ายี่สิบถ้าไม่ตั้งใจเรียนเรียนก็ไม่จบดงั้นมันไม่ได้อยู่ที่อายุอยู่ที่การเรียนหรือไม่เรียนนิพพานก็อยู่ที่การปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาหรือไม่ถ้ามีศีลสมาธิปัญญาก็ไปถึงนิพพานได้เหมือนกัน คำถามจากคุณหมูหากเอาเงินที่ได้จากการทำบาปมาทำทานได้บุญกี่ส่วนของเงินที่บริสุทธิ์ทำครับ อ, อ๋อก็ได้เท่ากับบุญที่บริสุทธิ์เนี่ยแต่บาป ก, ก็ยังติดอยู่ต้องใช้บาปแต่ถ้าเราเอาเงินมาได้ด้วยความบริสุทธิ์เราก็ไม่ต้องไปใช้บาปคำถามจากคุณขุนศึกพระอาจารย์ครับผมขอรับผมถือศีลเจ็ด ตลอดเข้าพรรษากินข้าวมื้อเดียวไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนที่ถือสินแปดเพราะลูกทํามาหากินเกี่ยวข้องกับทั้งโลกอยู่กลัวผิดครับกลัวผิดสินข้อมโหหะโทสะจะถือสินเจ็ดอย่างเดียวได้หรือไม่ครับมีแหลือสินโมหะโทสะไม่มีเนี่ยมั้ยสินแปดมันไม่มีโมหะโทสะหรือว่าเดิมโซราหรือเปล่าเนี่ยข้อนี้หรือเปล่าเนื้อข้อกินข้าวเย็นอยู่มีสองข้อนี่ไหม คำถามจากคุณขวัญถ้าเรายังอยากสวยอยู่จะทำให้เราไปไม่ถึงพานิพานใช่ไหมคะใช่ยังติดกับร่างกายอยู่ยังรักร่างกายยังหวงร่างกา ย, ยมันก็ยังจะต้องกลับมาดูร่างกายกลับมามีร่างกายอันใหม่ร่างกายเราไม่เหมือนตุ๊กตาน่ยพอตุ๊กตาตัวเก่าเสียเราก็ไปซื้อตุ๊กตาตัวใหม่มาเล่นต่อเพราะเล่นกับตุ๊กตาแล้วม่มีความสุขใช่วีผมใตุ๊กตาแต่งหน้าแต่งตาให้ตุ๊กตา มันเด็กที่มันเล่นตุ๊กตาเนี่ยพอตุ๊กตาตัวเก่าหายไปก็ร้องขอแม่ขอตุ๊กตาตัวใหม่เพราะยังมีความอยากเล่นกับตุ๊กตาอยู่ร่างกายเรานี้ก็เหมือนกับตุ๊กตาเนี่ยเวลาเราทําผมให้มันทาคิ้วให้มันแต่งหน้าทาปากให้มันแล้วก็กาลังเล่นกับตุ๊กตาดีๆนี่เองพอร่างพอร่างกายตัวนี้ตายไปมันก็อยากจะมีร่างกายใหม่มาเล่นใหม่มันก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มันก็ไปนิพพานไม่ได้ คำถามจากคุณแจมคืนไหนที่ฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วจะเป็นไข้ทุกครั้งเป็นเพราะอะไรคะก็เป็นนิสัยของเราจะเป็นอย่างนั้นคำถามจากคุณนันธนาอริยะมักแปดไม่เห็นมีข้อห้ามดื่มสุราของมึนเมาเลยคะ่ะยอมเข้าใจผิดหรือเปล่าคะมีมันอยู่ในมันอยู่ในสัมมากัมมันโตเนการกระทาชอบ การจะทําชอบก็ห้ามดื่มสุราสินห้าสินห้าสินแปดข้าถามจากคุณนาลงชยัยทาอย่างไรให้หลุดพ้นครับก็เนี่ยต้องมีศินสมาธิปัญญาเต็มร้อยสินเต็มร้อยสมาธิเต็มร้อยปัญญาเต็มร้อยสินก็คือศินแปดขึ้นไปทีนี้ถือว่าศินแล้วก็ต้องรักษาทุกวันตั้งแต่ตื่นจนหลับสมาธิก็ต้องมีอัปปนาสมาธิเข้าได้ทุกเวลาที่ต้องการะ ปัญญาก็ต้องเป็นภาวนามย์ปัญญาถ้ามีอย่างนี้ก็สามารถที่จะไปนิพพานได้คำถามจากคุณอรุณีเราสามารถฟังสวดมนต์และนั่งสมาธิพร้อมกันได้หรือไม่คะถ้าเราตั้งใจฟังแต่การสวดมนต์เวลานั่งสมาธิาอย่าไปดูลมอย่าไปพุทโธถ้าเราจะฟังสวดมนต์ก็ใช้การสวดการฟังสวดมนต์แทนพุทโธไปแทนการดูลมไปก็ได้ ๋ยถ้าทำสองอย่างมันจะชนกันปฟังส่วนมนตแล้วก็มาดูลมด้วยมันอาจจะชนกันได้หรือมาพุทธโถมันจะชนกันเอายังใดอย่างหนึ่งถ้ามันถ้ามันสองอย่างมันจะชนกันนั่นมันจะไม่สงบมาแล้วค่ะมอแล้วเลยความรักสวยร่างามก็อยู่สิ้นแตกก็ถึงห้ามยไม่ให้แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปา ไม่ใช้เครื่องสำอางอะไรต่างๆไปเหมือนกับการเล่นตุ๊กตาเล่นแํามันติดมันก็อยากจะให้ตุ๊กตาตัวนี้สวยไปเรื่อยๆผอมหงอกก็ต้องไปยอมมันเห็นไหมนักหนังเหี่ยวก็ต้องไปหาวิธีทงให้มันตึงเนี่ยพอมันเป็นอะไรก็เสียใจไปกับมันพอร่างกายเป็นอะไรหน่อยก็เสียใจเนี่ยเมื่อเช้านิยมผู้หญิงใส่บาตรบอกเดี๋ยวต้องไปฟังผลตรวจมะเร็งเนี่ยนไ พอตุกขามันเป็นมะเร็งขึ้นมานี่ใจก็เดือดร้อนแทนมันนะใจไม่ได้เป็นร่างกายเทหน่อยแต่ต้องเดือดร้อนแทนร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นร่างกายเป็นแต่มันไม่รู้ว่ามันเป็นมันไม่เดือดร้อนร่างกายไม่มีความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกนึกคิดอยู่ที่ใจใจไม่มีโรคมะเรง็งแต่ใจกลับไปทุกแทนร่างกายเพราะใจไปรู้ไปหนงไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวใจ ต้องมาสอนใจมาแยกใจวิธีแยกก็คือนั่งสมาธินั่งสมาธิแล้วใจกับร่างกายจะแยกออกจากกันแล้วพอออกจากสมาธิมาก็สอนใจด้วยปัญญาเตือนใจเรื่อยๆว่าน่างกายนี้เป็นเพียงตุ๊กตานะเราเป็นคนสั่งให้มันทำอะไรต่างๆเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่าไปยึดอย่าไปติดมันต้องพร้อมที่จะให้มันแก่ให้มันเจ็บให้มันตายมีไม ไม่มีก็เอา แ, นะแั้นนะใหญ่นะดีค่ะอยากจะถามยังไหมอย่ า, ม, ยยามาถามตอนที่เราเลอกกันนะเอางันะ้ะก็ขอให้นำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ <c oughs> ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ